ในในธรรมจักรกับพวัฒนสูตรนี่เป็นพระสูตรสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนาะ ป, ปัจจวัคคีทั้งห้าเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญที่เราทั้งหลายควรเรียนควรศึกษาและควรทำความเข้าใจให้ชัดในพระสูตรนี้ก็จะมีบทขัดอยู่สอง ในฉบับของฉัฏฐสังคยานากับฉบับของมอจล อ, อบทขัดก็คือบทนำเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าบทขัดของฉบับฉัฏฐสังคยานาเนี่ยเป็นของสากร ก, ก็จะขึ้นบทขัดอีกอย่างนะถ้าฉบับของมอจล อ, อของไทยเราเนี่ยของมหาจุฬาเนี่ยก็จะขึ้นบทขัดอย่างที่เราสวดกันนี่แหละอนุตตรางอริพสัมโบทิงเนี่ยสัมปชิตวาตถาคโตเป็นต้นนี้เอง ถ้าฉบับของพมา่าหรือฉบับของชัฏฐาสังคยนาเนี่ยก็จะขึ้นบทขัดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะในพระวินยัยในที่มาของธรรมจักรกับประวัฒนาสูตรก็มีอยู่สองที่นะสองสามที่ไม่ใช่แค่สองที่มีในมหาวัคพระบาลี ในพระวินัยยปิดกก็มีมีในคำพีสังยุทธนะคำพีสังยุท ธ, นะธฉบับมจรก็มีแล้วก็มีในปฏิสัมพิธามัชเอาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบทนำ เ, เดี๋ยวขึ้นบทขัดตามฉบับของมเจเนะอนุตรังอภิสัมโพทิง สัมผูชิตวะตถาคโตปัทมังยังอเทเสศีธรรมจากังอนุตรางสัมมาเทวปวเตโตโลเกอปาติวติยังยะถาคาตาอุพันตาปฏิปติจะมชิมา จตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธัญญาทัดสนังเดสิตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนวิสุตังสุตังธรรมจากะปวตนังวยากรณปาปเทนา สร้างขีตันต์ตำพนามาเซเภตะถาโคตเจ้าได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเมื่อทรงจะประกาศพระธรรมที่ใครๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงสแสดงอนุตตรธรรมจักรใดก่อนคือธรรมจักรใดพระองค์ซึ่งที่สุดสองประการและข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง และปัญญาอันรู้เห็นอันหมดจดแล้วในอริยสัจ4ีเราทั้งหลายจงสวดพระธรรมจักรนั้นที่พระองค์ผู้เป็นธรรมราชาทรงสแสดงแล้วปรากฏชื่อว่าพระธรรมจักรกับพวัฒนสูตรเป็นพระสูตรประกาศของพระสัมมาสัมโพธิญาณอันภรษาสัง ข, ขิติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยวยยกรณนะปาถาเทินอันนี้เป็นบทขาดของฉบับ ฉบับของมจลถ้าฉบับของฉัฏฐสังเยนาก็ขึ้นยังไงอยากรู้ไหมพีขูนังปัญญาวักขีนางอิสิปตนามนามเกเมกทาเยดามวรังยังตังนิพานปาปกางสหัมปตินามเกนา มหาพรเมนยาจิตโตจะตุสัจจังประกาศเส้นโตโลกนาโทอเทสยีนั่นที่ตังสัพเทเวหิสัพสัมปติสาทธังสัพโรกหิตตถาะาณมจกังพนามะเห พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนาะที่พึ่งของสัตว์โลกผู้อันเท้ามาหาพรหมมีนามว่าสหัมบดีทุนอาราธนาทมอันประเสริฐที่บรรดาให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ถึงซึ่งพระนิพพานใดเมื่อทรงจะประกาศสัจจะสีซึ่งทรงแสดงแล้วแก่ภิกษุปัญจวาคัคคีทั้งห้าและทั้งหลายแล้วที่ปลายสิบปฐนัมฤทายวัน ขอพวกเราทั้งหลายจงพากันเจริญพระธรรมจักรนั้นที่เหล่าทวยเทพทั้งปวงยินดีที่สามารถบรรดาสมบัติทุกอย่างให้สำเร็จได้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงเทินไม่เหมือนกันนะนี่บทนำเอาเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตร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 อิเสปตเนมิกกทายตัตระโคภะควาปัญจวะคีเยภิกขุอามันเตสีเทวเมภิกขเวอันตาปะจิเตนนาเสวิตาภากตเมเทวเยโยจายังกาเมสู กามสุขันลิกานุโยคฮินโอโมปุทชนิโกอนาริโยอนัตตสานิโตโยจายังอตะกิรมทานุโยคุโคอนาริโยอนัตตสานิโตเอเตเตพิกขเว อุพันเตอนนปคัมมามะชิมาปฏิปทาตาทาคเตนาภิสัมพุทธาจะคุกรณีญานกรณีอุปสมามยาอภินญายาสัมพุธายานิพานยาสังวตติคตมาจะซาภิกขเวมะชิมาปฏิปทา ตาทาคเตนาพิสัมุทธาจากขุกรณียานากรณียาพิญญาญาสัมโพธาญาณิพานญาสังวัตติอยเมวอริโออาทังคิโกมักโคเสยญาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติส ม, มาส ม, มาธิยังโคสาภิกเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนาอภิสัมบทธาจะโคกรณีญะนกรณี อุปสมายญาปิญญาญาสัมโพธญาณิพาณญาสังวัตตีที่ทั้งโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกคาชราปีทุกคาพยาปิทุโคมรนามปิทุกขังอัภิเยหิสัมปโยโคทุโค ปเยหิวิประโยโคทุโคยามปีชังนรปติตามปิทุกขังสังคิเตนาปัญจุปาธานคขันธาทุขาอีทั้งโคปนาพิงคะเวทุขาสมุทโยอริยสัจยังยายังตันหาปโนภวิกานันทิราคาสหคตา ตรตรตัตราพินันทินีเส ย, ยาทิทังกามตันหาบวตันหาวิบวตันหาทีทางโคปะนาพิงคเวทุกนิรโรธอริยสัจจังโยตัสยาเย ว, วาตันหายะเอเสสาวิราคนิรโรธะจาโคปนินิสสะโค โมติอนารโยทังโคปนาภิกขเวทุกขเนโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจังยเมวะริอัทถังคิโกมัคเสยยทิทังสมมาทิฏฐิสมมาสังกาโปสมมาวาจาสมมากรรมันโต สัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอทั้งทุกขังอริยสัจันติเมพิกเวโปเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจะคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิ เวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตั้งโคปนิทางทุกขังอริยสัจยังปริญยอยยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจะคงอุตปาทิญาณั่งอุตปาทิปัญญาอุตปาทิ เวจ่าอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปนิทางทุกขังอริยสัจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุอยะกคงอุทปาทิยานั่งอุทปาทิปัญญาอุทปาทิ เวท้าอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอีทั้งทุกขสมุทโยอริยสจันติเมผิกะเวปุเพอนานโสุเตสุธรมเมสุจะคงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาธิเวท้าอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิ ตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจากคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปนิทาง ทกขสมุทัยอริยสัจยังไปนันติเมผิกะเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิญานั่งอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอทั้งทุกขนิโรโธอริยสัจยันติเมผิกะเว โกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวทญาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโคปนิทางทุกขนิโรธทริยสัจจัง สาชิกาตาพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจยากคงอุทปาทียานั่งอุทปา ธ, าาาธิปัญญาอุทปาธิเวทญาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งคอปนิทางทุกขนิโรธเรียสาจาัจยัง สาชิกตนติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุธปาธิเวทญาอุธปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทั้งทูกนิโรทคามินีปฏิปทาริยสัจจติเมพิกเว โปเพอนานสุเตสุธรมเมสุจากคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญ า, าอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทั้งโคปนิทงังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาริยสัจจังบาเวตาพันติเมพิกเว αι. โกเพอนันุนสุเตสุธมเมสุจากคงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวท้าอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโคปนิทังทุกขนิโรธคบินีปฏิปทาริยสัจยางบาวิตันติเมพิกเว โปเพอาณโนสุเตสุธรมเมสุยาหนังอุทปาทิปัญญาอุตปาทิเวชญาอุตปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมผิกเววิเมสุจะตูสุอริยสเจสุ เอวันตีปริวัตตังดวาทสาการังยธาภูตังยานทัสนังนาสวิสุทังอโหสีเนวตาวหังพิกขเเวสเทวเกโลเกสมารเกสบรัมเกสาสมณบรัมณิยาปชายาสเทวมนนสายา อนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคมพิงคเวยิเมสูจะตุสุอริยสจเจสุเอวันทิปริวัตังทวทสทศาการังยะทาภูตังยานัทสนงังสุวิสุทังอโหสี อาาหังพิงคเวสเดวเกโลเกสมารเกสบรัมเกสาสมณบรัมณียาปชายาสเทวมนุสายาอุตตรางสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงญานันจะปะเมดสนางอุทปาธิ อากูปาเมวิมุติอยมันติมาชาตินาธิธานีปุนาโวติอิธมอวจะภควาอัตมนาปัญจวัคคยาภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุงยิมสมินจะปนาเวยาการณสมิงพญญมาเนอยสมันโต กนตัญญาสาวิราชังวีตมรังธรรมจักขุงอุทปาธียังกินจีสมุทยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันตีปวติเตจะภควตาดัมจักเก บ, บุมมาเท ว, วาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภควตาภารานสิยัง ที่สปตเนมิกกทายอนุตระังธรรมะจักาังปวัติตังอปติวัติยังสามเณรนาวะบรมเณรนาวะเทเวนวะมาเรนวะพระโมนาวะเกณจิวาโลกัสสมินตีภูมานังเทวาณังสัตถังสุตวา ญาตุมหาราชิกาเทวาสัตธมโนสาเวสูงจาตุมหาราชิกานั่งเทวานางสัตทังสุดตัวตวติงสาเทวาสัตธมโนสาเวเสงิงตาวติงสานา่งเทวานางสัตทังสุดตัว ยาม마เทวาสาธถมโนสาเวสูงยา마นังเทวานังสัตถังสุดตวะตุสิตาเทวาสาธถมโนสาเวสูงทุสิตานังเทวานังสัตถังสุดตวะนิมมานรติเทวาสาธถมโนสาเวสูง นิมานะรตินางเทวันางสัตทังสุตตวะปรนิมมิตวสวาตีเทวะสาธถมนุสาเวสูงปรานิมิตวัสวาตีนางเทวันางสัตทังสุตตวะพระมาริสาชาเทวะสาธถมนุสาเวีสุง พระมปริสาทชานังเทวานังสัตทังสุดตวะพระมปโรหิตาเทวาสาธถมนุสสาวสูงพระมปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุดตวามหาพรามาเทวาสาธถมนุสสาวสูงมหาพรามานังเทวานัง สุดตัวปริตาพาเทวะสาธมนุสาวเสืงส์ปริตาพานางเทวันางสัตว์ทางสุดตัวอปมาณาพาเทวะสัตมนุสาวเสือหงส์อปมาณาพาหนังเทวันางสัตว์ทางสุดตัว อาพสราเทวะสาธว์มนุสาเวสูงอาพสรานางเทวานางสัตวงสุดตัวปริตตสุภาเทวะสาธว์มนุสาเวสูงปริตตสุภานางเทวานางสัตวงสุดตัาอปมานสุภาเทวะสาธว์มนุสาเวสูง อาปมาณสุภานางเทวันางสัตทังสุตตวสุภกินกาเทวะสาธถมนุสาเวสูงสุภกินกานางเทวันางสัตทังสุตตวเวหภราเทวะสาธถมนุสาเวสูงเวหภรานางเทวันางสัตทังสุตตว อวิหาเทวาสาธมนุสวสูงอวิหานังเทวานางสัตทางสุดตวะอตาปาเทวาสาธมนุสวสูงอตาปานังเทวานังสัตทางสุดตวาสุทัสสะเทวาสาธมนุเวสูงสุทัสสานังเทวานัง สุตัวสุทาสีเทวาสาธมนุสาเวสูสุทาสีนางเทวานางสัตทางสุดตัวอกันิทักาเทวาสาธมนุสาเวสูเอตัมภควตาภาราณสียังอิเสปตเนมิกกทาย อนุตรางธรรมจักาังปวัติตังอาปวติวติยังสมเนนวะพระมเนนวะเดเวนวะมารนวะพระมุนาวะเกนจิวาโลกาสมินตีอิติหเตนาคเนนาเตนามโหเตนา ยาวะพรหมโลกาสัทโออภุชียัญจาทัสสหสีโลกธาตุสางกามปิสัมประกามปิสัมประเวทีอัปมาโนจาโอราโรโอาโซโลเกปาตุระโหสีอติกเมวะเทวานังเทวานุภาวัง อัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวตพโกณตัญโยอัญญาสิวตพโกณตัญโยตีอิติหิทางอายสมโตกณตัญยัสสะอัญญากณตัญโยตเววานามังอโหสีตี อัตโคอายะสมาอัญญสิกตัญโยทิตฐธรรมโอปปะดัมโมวิทิตฐธรโมปริโยขหะระดัมโมตินนาวิชิกิจโฌวิคตากะทังกะโทเวสาราชปโตอประปัจจะโยสาธุศาเสนบะขวันตังเอตทะโวจา ละพยาหังบันเตภควโตสันทิเกปปพชังละพยัยอุปสัมปทันตีเอหิภิกขตีภะควาอาโวจาสวาขาโตธรรมโมจราบรรมจริยังสัมมาดุขสะสันตกิริย า, ยาตีสาวตตาสอายสมโต โอปปสัมปธาอโหสีธรรมจักรกัปวัตนสุตรังนิตตังจบพระธรรมจักรกัพวัตนสูตรอแปลหน่อยอ่ะอ่านคำแปลที่อ๋อนี่เขาเรียกธรรมจักรกัพวัตนสูตรเอามาไม่ไม่ไม่อ่านตามบ่ะอะไรรู้ไหมเอามาอ่านกับพวกเราอ่านเดี๋ยวไปขัดกันอยู่เลยบีบางคนไม่ค่อยพอใจเวลาจตมาอ่านเวลามาอ่านเอามาอ่านอาจจะ เร็วไปบ้างช้าไปบ้างบางารัคนคิดเร็วบางทีต้องเบรกตัวเองอยู่เลยเลยเลยเลยเลยเวลาหนังสือทวนร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นภาษาไทยเอามาจะอ่านเข้ากับเขาไม่เค่อยได้ถ้าอ่านคนเดียวได้ไประมาณที่มองเร็วแล้วก็ปุ๊บปุ๊บป๊บไปเลยอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าสวดเป็นภาษาบาลีเราเห็นวรรคตอนอยู่แล้วก็จะสวดไป ใช่ไหมพวกเราสวดไมปถูกวรรคตอนมันเป็นความผิดของพวกเราพเพราะอามาลงวรรคตอนถูกแต่้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมาอ่านอ่า น, อ, านอ่านไปบางทีเร็วกว่าพวกเราบ้างช้ากว่าพวกเราบ้างมิที่อ่านผิดก็มีอรับผมอาจจะขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะ เ, เรื่องธรรมจักรให้เราได้เข้าใจโครงสร้างนิดหน่อยถ้าจะอธิบายทั้งหมดคงไม่พอใน ถ้ารำมจักกัปพวัตนสูตรเนี่ยบทขัดพระสูตรเนี่ยฉบับไทยและฉบับของพระมา่าต่างกันบทขัดก็คือบทนำที่สวดเป็นสักครู่อนุตรังอภิสัมโพทิงสัมพุชิตวารตธาคโตเนี่ยเนี่ยาใครใครเมื่อยก็ไปนั่งเ็ายีใครไม่ปวดเข่าก็นั่งไปนะเนี่ย ถ้าฉบับของพอม่า ก, ก็จะมีคําว่าพิกขูนางปัญญวคีนังเป็นต้นนะ่าจะต่างกันนีบทขัดทีนี้พระธรรมจักรเนี่ยเพราะเหตุไรจึงชื่อว่าธรรมจักรถามถามถา ม, ถามพวกเราเพราะเหตุไรจึงชื่อว่าธรรมจักรใครตอบได้ให้กลับไปนอนก่อน <c oughs> ถ้าใครตอบไม่ได้ให้อยู่ตรงนี้แหละ เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าพระธรรมจักรถ้า mm hmm. เป็นฉันฉังไม่กล้าตอบหรอกเพราะนี่กลัวจะกลับไปนอนเราเพราะเหตุอะไรจึงชื่อว่าธรรมจักรฉันจะค่อยๆถามไปอย่างนี้ดีกว่านะมันจะได้มีมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหม มีใครตอบได้ไหมตอบไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาดีไหมอย่าทําทีทําท่าว่าทาท่าว่าอีอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมแต่ทาไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไปเลยดีไม่ดีแล้วมีใครจะตอบไหมตกลงไม่มีนะเทศนายานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บันดาลให้เกิดธรรมะคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางจึงเรียกว่าธรรมจัก เข้าใจไหมเออเทศนายานก็คือคำคาแสดงธรรมของพุทธเจ้าพระธรรมที่พุทธเจ้าทรงสแสดงนั่นแหละบรรดาให้เกิดธรรมะคำว่าบรรดาให้เกิดธรรมะก็คือบรรดาให้เกิดข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิบัตานั่นแหละจึงเรียกว่าธรรมจักรแต่เขาบอกว่าทาไมพระสูตรเนี้ย ทำไมจึงเรียกว่าพระธรรมจักรเพราะอะไรยิงชื่อว่าธรรมจักรแล้วก็บอกว่าเพราะเทศนายานก็คือพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงเทศนาทรงเทศทรงกล่าวบรรดาให้เกิดธรรมะคําว่าบรรดาให้เกิดธรรมะก็คือบรรดาให้เกิดข้อปฏิบัติทางสายกลางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิบัตานั่นแหละจึงเรียกว่าธรรมจักร มัชเชนธรรมเทศนากับมัชชิมาปฏิบัติต่างกันยังไงโหฮะมัชเชนะธรรมเทศนากับคําว่ามัชชิมาปฏิบัติต่างกันยังไง <c oughs> ใครตอบได้รีบตอบ <c oughs> <c oughs> ธรรมจักรกับประวัตินสูตรนี่เป็นมัชเชนะธรรมเทศนาไหม เวลาพระพุทธเจ้าแสดงแสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรนี่เป็นอะไรเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาใช่ไหมทีนี้พอแสดงพอแสดงธรรมจักรวัฒนสูตรเนี่ยข้อปฏิบัติในพระธรรมจักรกับพระวัตนสูตรนั้นเป็นเป็นเป็นมัชชิมาปฏิบัติาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางเอาเลยนะ นี่ได้คำว่าความหมา ย, ยาธรรมจักรหรือยังอันนี้ในยะหนึ่งนะเอาในายะที่สองอีกในหนึ่งเดี๋ยวให้ให้คำให้คำตอบไปสามในนะในยะที่หนึ่งบอกว่าเทศนายานของพระพุทธเจ้าที่บรรดานี้เกิดธรรมะคือข้อปฏิบัติสายกลางจึงเรียกว่าธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรจึงชื่อว่าธรรมจักรนะอีกในหนึ่งเทศนาญันของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ ทำให้เกิดสัจจะทั้งสี่ประการคือทกสมุทยัยนิโรธและมรรคซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลมีลักษณะเป็นความจริงนะโดยไม่เปลี่ยนแปลงจึงชื่อว่าธรรมจักรในในยะนที่แปลว่าเทศนายานของพระทเจ้าเนี่ยที่ทําให้เกิดสัจธรรมทั้งสี่เกิดจะศสัจะธรรมทั้งสีก็คือทําให้เกิด ทุกนะสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคการแสดงทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นเป็นอริยสัตว์นะเป็นสัจจะเป็นความจริงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะมีลักษณะเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่มีอยู่ในธรรมดาอยู่แล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าธรรมจักร อันดับแรกคือเทศนายานที่บรรดาให้เกิดธรรมะคือข้อปฏิบัติสายกลางใช่ไหมคือมัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าธรรมจักรในที่สองเรียกว่าเทศนายานของพระริยาเจ้าที่ทําให้เกิดสัจจะธรรมทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระริยาเจ้าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยเป็นความจริงที่ทรงเอามาบอกเอามากล่าว ซึ่งเป็นกฎความจริงที่มีอยู่แล้วพระเจ้ามาค้นพบความจริงค้นพบสัจจานี้จึงชื่อว่าธรรมจัก <c oughs> ได้สองในแล้วนะเอาอีกสักในไหมนในที่สามเทศนาญาณของพระผู้มีภาคเจ้าที่ทำให้เกิดญาณนนธรรมคือสัจญานกิจญาณ แล้วกัตายานสัจยานกิจยานกัตายานเนี่ยสัจจะละสามยานนะสี่สัจจะจึงรวมเป็นสิบสองยานก็เรียกว่านั่นแหละจึงเรียกว่าธรรมจักสัจยานยานในสัจจะทั้งสี่กิจจยานแปลว่าอะไรกิจยานแปลว่าอะไร กิจยานแปลว่าเป็นกิจที่ควรกระทำอย่างทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งมรารคเป็นกิจที่ควรเจริญส่วนกตายานก็คือว่าทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงละทรงกําหนดรอบรู้หมดแล้วสมุทยัยพระพุทธเจ้าก็ทรงละได้หมดแล้วนิโรธพระองค์ก็ทรงทําให้แจ้งแล้ว มพระองค์ก็ได้เจริญและอบรมแล้วฉะนั้นเทศนายานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เกิดยา น, นาธรรมคือทำให้เกิดสัจญายนคือยานในสัจจะสี่กิจยานคือยานในกิจที่ควรทำานส่วนกตายานก็หมายความว่ากิจเหล่านี้มีทุกเป็นต้นเนี่ยพระบรมศาสย า, า, า, า, าทรงกำหนดรอบรู้หมดสิ้นแล้ว ทรงทําให้บริบูรณ์แล้วสรุปแล้วธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรเนี่ยคำว่าธรรมจักรมีอยู่3ความหมายนะความหมายแรกเป็นเทศนายานที่พระพุทธเจ้าบรรดาให้เกิดธรรมะคือมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมคืออริยมรรคมีองค์8ความหมายที่สองเป็นเทสนายานที่พระผู้เป็าคเจ้าทรงทําให้เกิดนะอริยสัจจะทำทั้ง4ี่คือทุกขสมุทยัยนิโรธมรรค ไม่ใช่สัตว์บุคคลเนี่ยเป็นความจริงของบริยาเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เพราะมีอยู่นี่เป็นชื่อธรรมจักรส่วนในที่สเทศนายานของพระพูทธมีภาคเจ้าที่ทําให้เกิดญาณธรรมก็คือญาณสกิจสัจญานกิจญาณแล้วก็กะตะญาณมียาละกี่สัจยะญาละสี่นะสี่สาก็กลายเป็นสิบสองนะ อา้าในสัจจยานมีสี่ไหมคือหนึ่งทุกยานที่รอบรู้ในทุกสองสมูทยัยยานที่รอบรู้ในทุกกับสมูทยัยสามทุกขนิโรธสี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้ไหมในในสัจจยานก็มีสี่กิจยานมีสี่ไหมมีสีเหมือนกันทุกเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมูทัยเป็นกิจที่ควรละ นิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งมารคเป็นกิจที่ควรเจริญโอ้โหได้อีกสี่แล้วเป็นแปดแล้วนะกตตาญานมีเท่าไหร่ทุกพระพุทธเจ้ากําหนดรอบรู้หรื อ, อยังก็กําหนดรอบรู้แล้วสมุทยัยพระองค์ละได้หมดหรื อ, อยังละได้หมดแล้วนิโรธพระพุทธเจ้าทําให้แจ้งหรือยังเชื่อไหมมารคพระองค์เจริญอบรมให้บริบูรณ์หรื อ, อยังนี่ไหม ยานสามอย่างละสี่ก็เลยกลายเป็นสิบสองนี่แหละเป็นเทศนายานที่ทําให้เกิดยานธรรมทั้ง10บสัจญายานกิยานและกตยานเนี่ยอย่างละสามเลยกลายเป็นสิบสองเวลาเราไปไหว้พระเจดีเราไหว้เราไปเดินรอบพระเจดีแล้วไหว้สี่ทิศไหมเข้าไปก็ไหว้ทิศที่หนึ่งทิที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ อันนี้หมายถึงสัจญาณนนะรอบแรกรอบที่สองกิจจญาณเนนะี่ยทุกเป็นกิจทิกควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจคุดขวนทำให้แจ้งมรรคเป็นกิจทิ่วรเจริญนะว่าอีกสี่ทิศพอรอบที่สามก็ว่าอีกทุกนี่พระพุทธเจ้ากําหนดรอบรู้แล้วข้าพเจ้าก็จะกําหนดรอบรู้ตามพระพุทธเจ้าให้ได้ สมุทยัพทยพุทธเจ้าละได้หมดแล้วข้าพเจ้าก็จะละสมุทยัยตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้นิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าก็จะฝึกตัวเองให้ทํานิโรธให้แจ้งให้ได้มรรคพระองค์จเจริญอบรมให้บริบูรณ์แล้วข้าพเจ้าก็จะฝึกทําอริยมรรคให้บริบูรณ์ตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไ้ได้เวลาไปเวียนรอบพระเจดีย์เราเคยคิดแบบนี้ไหมงั้นเดี๋ยวพระธรูกมาวางไว้แล้วก็เดินรอบกันเอาไหมมันจะได้มีภาคปฏิบัติการ แล้วก็เดินวนให้แต่ละคนเดินวนแล้วก็แล้วพูดให้ปังดีไมด่ดีใครใครสอบไม่ผ่านยังไม่ให้กลับดีไหมภาคปฏิบัติการเนี่ยเพราะใช่หม <c oughs> พอรอบแรกก็ น, <c oughs> นี้ทุก <c oughs> นี้เหตุให้เกิดทุก <c oughs> นี้ความดับทุก นี้ข้อปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกนี้นนในสัจจยาญาณในสัจจะสิ่ทุกควรอะไรถ้ากิจยานกน็ทุกควรสมุทัยควรควรละนิรโรธควรมรควรแต่พวกเราไม่ค่อยทําตามพวกเรามักจะไปเจริญข้อไหนมักจะ เ, เจริญข้อสองลองเอาสมุทัยมาเจริญอยู่เรื่อยเลยจริงไม่จริง เนี่ยพวกเราเนี่ยสอนไม่ค่อยฟังพระเจ้าบอกไม่ค่อยฟังก็พระพุทธเจ้าบอกให้มาเจริญข้อที่เท่าไราเราดันไปเจริญข้อสองอยู่ด้วยเครียดบ้างโกรธบ้างโลภ บ, บ้างหลงบ้างอยู่นั่นแหละแต่ว่าอริยศาสตร์เนี่ยเขาให้ทําข้อสุดท้ายคือมรรคมรรคนี่เริ่มข้อไหนก่อนทําสมาทิที่ให้เกิดขึ้นก่อนเแต่เราไม่รู้ชอบขยันเนี่แหละต้องระวังยังไม่ทันยังไม่เกิดสมาธิเลยรีบเลยอยากจะพ้นทุกษ ใช่ั้ยชอบขยันก่อนรู้ห้ามนแต่เนี้ยบอกว่าเจริญอริยสัจไม่ถูกสรุปแล้วธรรมจักมีอยู่กี่ความหมายมีถามอ่ะถามต่อเนี้ยถามต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แปลนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ชัดเนาะคำว่าธรรมจักเนี้ย ท่านก็หมายถึงมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางนะอริยสัจสี่มีทุกเป็นต้ น, นเนี่ยเนี่ยหมายสัจจญาณกิจยาณทั้งหลายเป็นต้นเลยเนี้ส่วนในเรื่องของในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นสี่เลยนะญาณในทุกญาณในทุกขสมุทยัยญาณในทุกขนิโรธญาณในทุกขนิโรธจะกลายเป็ปฏิปทาใช่ไหมก็ได้สี่ สันทุกเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธคุณกิจที่ควรทําให้แจ้งมาร์เป็นกิจที่ควรเจริญอีกสี่ก็เป็นแปดทกเนี่ยพระเจ้ากําหนดรอบรู้แล้วรอบรู้หมดหรือยังหมดเลยไหมสมุทยัยพระองค์ละนี่หมดหรือยังนิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วมาร์ก็เจริญอบรมให้บริบูรณ์แล้วสรุปแล้วก็คือสามสี่กลายเป็นสิบสอง เทศนาพระธรรมจั ก, กปรปวัตนสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ที่ไหนวันไหนเวลาเท่าไหร่เทศนาพระธรรมจั ก, กปรปวัตนสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ที่ไหนไว้ที่ไหนมาช่วยตอบหน่อยเร็ว วันไหนวันไหนวันไหนอาใครตอบได้รีบตอบน ะ, สะแสดงที่ไหนก็คือที่ป่าอิสิปตนะบริขกายวันใกล้เมืองวาลสีวาลานสีนัถ่ถูกต้องแต่ถามว่าในวันไหนวันนี้วันพ่าไหม ที่พระัาแสดงธรรมจกักรในวันไหนใครบอกว่าวันวิสาขาบูชาใครว่าวันอาสาฬหาบูชาใครว่าวันอัธมีบูชาใครว่าวันมาฆาบูชาอาสาฬหาบูชาอาสาฬหาบูชาก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันนะ แล้วก็เวลาไหนเวลาเท่าไหร่เวลาไหนใช่เอาเวลาด้วยเราจะได้อย่างนี้จะได้เรียนจริงๆศึกษาจริงๆงไ ง, งเวลาเวลาไหนต้องรีบบอกยอมรับสิบอกว่าตอบไม่ได้ดวเวลาพระอาทิตย์จะตกดิน จะตกดินนะและพระจันทร์เต็มดวงกําลังจะขึ้นมาทางทิศบุรพาเนี่ยเวลานั้นเอบุรพาอยู่ทิศไหนทิศตะวันออกบุรพาและสมิงน่นะทิศตะวันออกสรุปแล้วเราได้เราแนะว่าเทศนายานเนี่ยเทศนานี้พระเจ้าแสดงที่ป่าอิสิปตนะบริขยวัน ใกล้เมืองพาราณสีในวันอาสารหาบูชาเวลาพระอาทิตย์จะตกดินและพระจันทร์เต็มดวงกำลังจะขึ้นมาทางทิศบุราพาวดีโอ้โหกำลังสวยงามมากจังนึงสวยสดงดงามมากทีนี้ถ้ า, ถ, าถ้ามีคนบอกว่าเอ๊ะที่ตอบว่าพระเจ้า แสดงธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะใกล้เมืองพาราณสีเนี่ยวันอาสสันหาบูชาเวลาอาทิตย์จะตกดินเนี่ยแล้วตอนนั้นพระจันทร์กำลังขึ้นมาเนี่ยตอบตามความคำนวณเอาหรือมีหลักฐานอ้างอิงถ้ามีคนก็ถามอย่างนี้ปุ๊บเราจะอ้างหลักฐานที่ไหนเล่มไหน เนี่ยตรงเนี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นนะตอนนั้นอ่ะมาไปตรวจปัญหาตรวจปัญหาเนี่ยสมมตินเ น, น้น้อยๆ้ใช่ไหมปกติเวลาเขาจะเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมเนี่ยเขาจะมีพุทธภาษิตใช่ไหมแล้วให้บอกที่มาด้วยเช่นสมดังพุทธภาษิต ท, ที่มาในใช่ไหมพระวินัยยปีดอกมาในสังยุตตานิกายก็ต้องบอกด้วยใช่ไหมถ้าจะเน้นคนเนี้ยมันตอบไม่ได้ มันก็ไปเอาที่มาก็ก็บอกให้เอาที่มาด้วยสมณีนี่เขาก็ไปเอาที่มาสมดังพุทธภาษิตที่ติดอยู่ที่ใต้ต้นมะขามหือ <c oughs> เขาเขียนไอ้ไอ <c oughs> เพราะว่ามันมีภาษิตเขียนไว้กับต้นมะขามในวัดเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปจดมาใช่ไหม <c oughs> เขาบอกสมดังพุทธภาสิตที่ติดอยู่ใต้ต้นมะขามวัดกลางเขาต่นี้ก็มานั่งปรึกษาเอ้ยางนี้จะให้มัหรือไม่ให้เนี่ยตอนกรรมการก็ไปตรวจกันอย่างนี้จะให้ไห ม, ไหมไห <c oughs> อมา้า ลำบากมันมีอยู่ครั้งหนึง่งเอามาเป็นคนออกปัญหาพุทธประวัติตอนนั้นสามนเณรเล็กๆเจ็ดแปดขวบเก้าขวบเนี่ยมันแข่งขันกันถ้าใครชนะรางวัลที่หนึ่งเขาจะมีรางวัลที่หนึ่งให้เขาบวชกันหนึ่งเดือนในภาคฤดูร้ อ, อนเอามาออกปัญหาว่าพราะพุทธ เ, เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติที่ไหนไอเนรนี้ก็ไปตอบว่าประสูติ มันจำได้ที่ลุมพินีวันที่สวนลุมพินีใกล้โรงพยาบาลจุฬา <laughs> โอกเครียดกินอะอรมาจะให้หรือไม่ให <laughs> ้ก็คือว่า <c oughs> เขาคงคิดว่าพระนางสริมหาวายาคงจะไปโรงพยาบาลแล้วไปไม่ทันน่นนะตามภาษาเด็กเนี่นะเด็กเล็กๆ เ, เขาคงคิดตามภาษาเขาคิกว่า สวนลมที่เนปาลก็มาตอ บ, ตอบสวนลมกรุงเทพซะ น, นี่โอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอะต่นี้ถ้าถามที่มาเนี่ยมาในบาลีนะในปฏิสัมพิธามักมันกล่าวไว้ว่าในปฏิสัมพิธามักว่าปัจฉิมะทิสายะสุริโยอัตถังคเมติเป็นต้นเนี่ยบอกว่า พระาทิตย์กำลังจะอัสดงคดในปัจฉิมอทิตย์คือพระที่จะพระจันทร์เต็มดวงประกอบด้วยเลิกอาสาละหะอุตระกําลังขึ้นเมตาัางทิติบุรพาจา ใ, ในสมัยนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงเริ่มแสดงพระธรรมมาจากกัปวัฒนสูตรแล้วเริ่มตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทเวเมพิกเคว ฉะถ้าบอกว่าเอวเมสุตังเยกังสมยยังภักขวาบาลในสยามเวหาลิติสุปเทเนมิกาธาเยตตระโคภักขวาปัญวากีเยปิกูอามิสสีนี่อันนี้ยังไม่ใช่พุทธพจน์นะอันนี้เป็นนิทานพจน์เป็นเหตุเป็นเหตุใช่ไมเราเราเร า, เราสวดกันเนะ่ะเราจะเมื่อกี้เราสวดว่าไงเริ่มต้นเนะี่ยเอวเมสุตังใช่ไหมลองอ่านดูทีข้าพระเจ้า พระ อ, อนนทแล้วก็ว่าไงเห็น ไ, ไ, ไหมน่แหละเอเว เ, อเมียสุตังเอกังสมยังสมัยหนึ่งใช่ไหมพระผู้มี พ, ะพระเจ้าประทับอยู่ที่ป่ายสิปตนะมริทัยวันแขวงเมืองาราณสีแล้วก็ว่าอะไรต่อเอนี่ยเนี่ยกีแค่เนี้ยไอตอนนี้เป็นไม่ใช่พุทธพจน์เป็นคำกล่าวของพาะ อ, อนน พุทธพจน์มาเริ่มตั้งแต่ทเวเมพิกเวอันตาปปชิเตนานาเซวิตาาเนี่ เ, เนี่ยคำกล่าวตรงนี้นะดูก่อนพิษสูตทั้งหลายส่วนสูตรสองอย่างเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเริ่มนี้เป็นพุทธพจน์าถามต่อตรนี้ทำไมเพราะเหตุไะไรเมืองนี้จึงชื่อว่าเมืองพราณาสี เ, เราจะได้มีความรู้ไงยังไงยังไ ง, ง, ไงก็เมืองนี้สําคัญไหมล่ะเมืองนี้ยสําคัญไหมเมืองบาราณสีเนี่ยทําไมพระเจ้าจึงมาแสดงที่เมือง น, นี้และพระเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องจะแสดงธรรมจักที่นี่ทั้งหมดเลยในอดีตก็ต้องมาแสดงที่นี่ที่ผ่านมาทุกๆพระองค์ทรามาตัดสูุแม้ในอนาคตที่จะมาตัดสู้ก็ต้องไปมาแสดงที่นี่เหมือนกันเขาเรียกว่าสถานที่ที่พระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละเว้น ฉะนั้นที่ตรงนี้เราา็กำหนดหมายเขาไว้เราจะได้ไปเป็นเทวดาแถวนั้นเป็นพรหมแถวนั้นหรือว่าเป็นมนุษย์แถวนั้นจะได้ไปฟังกับเขาบ้างดีไมด่ดีโอ้พอเรากำหนดที่ไม่ถูกนี่เองเราจึงไม่ได้ที่ตัดสู้กับเขาสักทีเลยเนี่ยโอ้โหน้าเรียนไหมเสียดายจังอ้เอพราะเหตุอะไร เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าพาราณสีเพราะเหตุว่าเมืองนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ําแม่จริงๆภาษาเดิมก็ เ, ม เ, เรียกแม่น้ําพาราณสาแม่น้ําเนี่ยชื่อแม่น้ําพาราณสีเออพาราณสาเมืองนี้เขาเลยเรียกว่าเมืองพาราณสีเรื่ <laughs> อนี้ ก็ใช่ไงก็เมืองนี้ชื่อเมืองพลานาสีเพราะว่าตั้งอยู่ติดแม่น้ำก็นี่หลักการมีแค่นี้เหมือนเดี๋ยวเราไปต่อเป็นแม่น้ำคงคาสินก็างคาคงคาอันเดียวกันแม่น้ำนี้ แม่น้ำคงคาหรือที่แม่น้ำพาราณาส์เนี่ยมีความมหัศจรรย์อะไรรู้ไหมมีความมหัศจรรย์มากที่สุดก็คือว่าต่อให้ทิ้งซากศพลงในแม่น้ำนี้ยังไงเชื้อโรค ก, ก็ไม่กระจายเข้าไปพิสูจน์ดูแล้วเนี่ยเอาเชื้อโรคเนี่ย ท, ท, ท, ที่มีอิทธิฤทธิเดชมีฤทธิ์เออมีมีมีอนุภาพขนาดไหนก็แล้วแต่พอใส่เข้าไป สิบหกตัวลงไปเนี่ยนะหรือใส่ไปร้อยตัวมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเดี๋ยวหมดเลยฉะนั้นคนจึงไม่เป็นโรคระบาดเลยอะทิ้งศพลงไปยังไงก็ไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องแปลกมากเออไม่น้ําเนี่ยเขาถึงดื่มได้กินได้ทั้งๆที่มีศพลอยเต็มไปหมดเนี่ยนะสนใจก็ดีเลยไปกินกันแปลกมากไม่รู้มีมีมันมีธาตุมีแร่อะไรก็ไม่รู้ที่มาคอยทําลายเชื้อโรคได้ขนาดนั้น นะทีนี้ถามต่อว่าป่านั้นก็เรียกป่าอะไรนะป่านี้ชื่อว่ามิกรทายะใช่ไหมป่าอิสิ ป, ปตนะมิกระทายะยคาว่าอิสิ ป, ปตนะเนี่ยหมายถึงอะไร อิสิปตนะมันมีสองคำหมายนะกับคำว่ามิกทายะกับคำว่าอิสิปัตนะคำว่ามิกทายะเนี่ยเป็นชื่อของเป็นชื่อเป็นเป็นเพราะเป็นป่าเป็นที่ปลอดภัยแก่เนื้อและสัตว์ป่าทุกชนิดเขาเรียกมิกทายะมิกทายะเนี่ย เนื้อหรือสัตว์ป่าทั้งหลายเหล่านี้มาที่ตรงนี้แล้วก็ปลอดภัยจึงเรียกว่ามิกระทายะเพราะเป็นสถานที่ที่บุคคลให้อภัยแก่เนื้อทั้งหลายนั่นแหละเขาให้อภัยแก่เนื้อทั้งหลายที่เรียกว่าอิสิ ป, ปัตนานี่ก็เพราะว่าด้วยอำนาจถึงการขึ้นและลงของกลุ่มหรือสีทั้งหลายเขาเลยเรียกว่าอิสิ ป, ปัตนาทีนี้ อิสิปตนะอิสีเนี่ยในบทเนี่ยเป็นชื่อของฤาษีจริงๆแต่เป็นสัพพัญยูฤาษีเจ้านะหมายถึงพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไม่ใช่ฤาษีธรรมดาไม่ใช่เป็นฤาษีที่มีกิเลสอย่างที่เราเห็นหรือเราเข้าใจกันนะฤาษีทั่วๆไปเป็นฤาษีที่ชอบอยู่ป่าใช่ไหมแล้วก็ได้ฌานสมาบัติแต่สัพพัญยูฤาษีเนี่ยหมายถึงพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแปลว่าคนที่ท่านที่หมดกิเลสแล้วเป็นพุทธะประเภทหนึ่ง แต่เป็นปัจเจกพรพุทธเป็นผู้ที่หมดกิเลสได้ด้วยตนเองท่านจะมาประชุมกันหนะ้าที่ตรงเนี้เวลาเหาะมาจากป่าอื่นๆจากพวกเขาอื่นก็มาลงที่ตรงเนี้แล้วเหาะขึ้นก็จะขึ้นจากตรงนี้ถามว่าท่านลงมาประชุมกันอะไรรู้ไหมท่านมาประชุมวันอุโบสถบ้างมาประชุมกันเพื่อกิจกรรมทั้งหลายในการที่ประชุมสนทนาธรรมกันเป็นต้นบ้าง ท่านมาขึ้นมาลงตรงเนี้ยที่ตรงนี้ก็เรียกว่าอิสิปัตนะเป็นที่ขึ้นเป็นที่ลงของกลุ่มสัพยูรือสีเจ้าทั้งหลายเขาจึงเรียกว่าป่าเนี้ยเป็นป่าของอิสิปตนะก็ตอนก่อนหน้าที่ยังไม่มีก็ใช่ไงใช่ อาจจะถ้าพระเจ้าจะมาตัดสรู้้หรือจะมาเนี่ยเดือนสองเดือนปีสอง ป, 2, ปีท่านก็จะากัน น, นิพพานหนีหมดใช่จะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้นน่ะบรรดาผู้หมดกิเลสไอผู้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ตัวเองแต่ท่านไม่สามารถประกาศสัจจะสีให้คนอื่นตัดสรู้้ตามได้แต่ท่านสามารถคิดวิจัยแยกแยะเองจนสามารถตัดสร้นู้ได้แล้วก็สามารถไปโปรดสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นได้ในฐานะให้ฐานรักษาศีแค่นี้ได้ แต่ไม่สามารถจะสอนให้สัตว์ตัดสรู้ตามได้นี่เขาเรียกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ป่าเนี้ยเป็นที่ขึ้นลงของกลุ่มฤาษีส พ, พันยูฤาษีเหล่านี้แหละเขาจึงเรียกว่าป่าอิสิ ป, ปัตนะพระส พ, พันยูฤาษีเจ้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมาประชุมในสถานที่เนี้ยเพื่อต้องการที่จะเนี้ยที่ตรงนี้เขาจึงเรียกว่าป่าอิสิ ป, ปัตนะ พอมองเห็นนี่ยังพอจะเข้าใจได้ยังฉะนั้นพระเจ้าเวลาแสดงธรรมก็มาแสดงที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ผู้มีบุญทั้งหลายเข้ามากันทีนี้ถ้าถามว่าบรรดากลุ่มฤาษีเหล่านี้ที่เขาพากันมาเนี่ย พระปเจกพระธเจ้าทั้งหลายเนี่ยปกติเนี่ยท่านจะอยู่กันที่ท่านจะอยู่กันที่ที่อื่นใช่ไหมเขาเรียกว่าท่านเข้านิโรธาสมาบัติเพราะออกจากนิโรธาสมาบัติท่านก็หอ่อมากันเนี่ยท่านมีฤทธิ์เนี่ยหอ่อมากันได้แล้วก็มาลงนะที่ตรงนี้แหละแล้วก็แล้วก็พากันมาทางอากาศมาที่ป่ายสิัตนาเนี้ย เพื่อจะมาประชุมกันวันอุโบสถหรือไม่ใช่วันอุโบสถ ด, ด้วยเวลาท่านจะกลับไปยังเขาคันธมาศนะท่านก็เหาะขึ้นจากที่ตรงนี้แหละฉะนั้นป่านี้จึงเรียกว่าอิสิปัตนะด้วยอำนาจเป็นที่ขึ้นลงของฤาษีทั้งหลายเหล่านี้แหละจึงเรียกว่าอิสิปัตนะทีนี้ประเด็นต่อมาทําไมทําไมจึงเรียกว่ากลุ่มฤาษีเหล่านี้ภาพรประเจกพระพุทธเจ้านี้จึงเรียกว่าฤาษี ทำไมจึงเรียกว่าฤาษีเพราะอะไรทําไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้แสวงหาอะไรแสวงหาสารธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คือแสวงหาศีลธรรมแสวงหาสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะอันยิ่งใหญ่จึงเรียกว่าฤาษี คําว่าลือศีในแปลว่าผู้สแสวงหาศีลแสวงหาสมาธิสแสวงหาปัญญาสแสวงหาวิมุตติยา น, นัตัสนาคือปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นแล้วเป็นต้นจึงเรียกว่าฤือีใช่ไหมศัพท์ว่าลือศีจริงๆไม่ได้เสียหายนะเป็นความหมายที่บ่งบอกถึงบุคคลที่กําลังสแสวงหาสารธรรมคือสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตัสนะเรียกแสวงหาสารธรรมเหล่านี้นี่แหละจึงเรียกว่าลือศี นักปราชญ์เหล่าใดย่อมเสาะแสวงหาซึ่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะเขาจึงเรียกว่าเป็นลือสีนี่พอจะเข้าใจนะเอาประเด็นต่อมาคือว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงพระธรรมมาจากกัปโภตนะสูตรที่ป่ายสิปตนะมริขัยาวันเนี่ยแผงเมืองพระราศีเนี่ยทรงแสดงแก่ใครบ้าง ก็มีโกนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามาอัศชิใช่ไหมห้าท่านนี้แหละโกนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามาอัศชิในบรรดาปัญญวัคีทั้งห้าเนี่ยเขาก็เรียกว่าลือีเหมือนกันท่านเป็ประพฤติเป็นลือศีมาก่อน เขาเรียกลือศีทั้งห้าเหมือนกัน <c oughs> นั่นเป็นลือศี <c oughs> ตอนก่อนหน้านั้นพระพเจ้าก็ไปเป็นอย่างนี้แหละไปเป็นฤือีนี่แหละแล้วต่อมาพระเจ้าก็หนีออกมาเพราะไปบปําเพ็ญทุกการกิริยานี่แหละท่านมองว่านี่ไม่ใช่หั้นทางไนงะท่านก็เลยหนีออกมาเลยมไม่เอาแล้วห้นทางเนี้ยไม่ใช่หั้นทางการตัดรู้สัมมาสัมพุธิญานท่านก็เลยมาคิดค้นข้อปฏิบัติได้โดยตนเองแล้วก็จะได้ตัดสู้สัมมาสัมพุธิญาน ท่านเลยกลับไปโปรดเนี่ยปัญญวกีหรือฤาษีทั้งห้านี่แหละนี่พอจะเข้าใจนะนะพวกภิกษุห้ารูปนี่แหละมีโกณฑัญญะว่าป่าพัทธิยาหานามะอัศชิเนี่ยก็เลยพวกห้าทีนี้ถามต่อว่าในเวลาที่กำลังแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนั้นเนี่ยพรม ที่มาร่วมประชุมมีประมาณเท่าไหร่ <c oughs> มีพรมนั้นน่ะมาร่วมประชุมกันนับได้ประมาณสิบแปดโกรโกรละสิบล้านนี่ไม่ได้นับเทวดาพรมได้บรรลุสิบปดกศ ผมได้บรรลุในคราวที่พระเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระวนะสูตรนี่สิบปดโกดมนุษย์ได้บรรลุหนึ่งนะเทวดานับไม่ท้วนแต่ไม่มีพวกเราอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรเคยสงสัยไหมสงสัยไหมอ่ะถามยิงเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมไม่มีหรอเอางี้ถ้ามีเราคิดว่าเราจะได้บรรลุไหม ก็เมื่อกี้สวดกันไปแล้วมันวแวบแวบบอเบ้อบไหมสวดทั้งบาลีและคำแปลกไม่แปลกต่ให้มีก็ไม่ได้บรรลุจริงไหมอย่าอย่าไปมัวสงสัยเอ๊ะทำไมถึงไม่มีเราไม่สงสัยเลยเนะี่ยเอางี้ถ้าสมมติเรารู้กันแค่นี้นะรู้แค่นี้แล้วถ้าบรรลุเนี่ยเราจะพอใจไหม รู้แค่นี้นะแล้วจะบรรลุเนี่ยถ้าก็าถามว่าจะบรรลุอะไร <c oughs> รู้แค่นี้เราบรรลุเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ฉันว่าสมควรไหมที่ไม่ได้บรรลุเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าบรรลุเนี่ยมันจะแปลกประหลาดมาก <c oughs> ถ้า ง, งั้นฉันจะต้องไปบระทวงแน่นอนแล้ว ใช่ไหมจะต้องไปบัดทวงแล้วยอมไม่ได้เนี่ยยอมผู้หญิงใหญ่ไปบรรลุได้ยังไงยอมไม่ได้เด็ดขาดฉันบวดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้บดรรลุใช่ไหมล่ะจริงไม่จริงบอกเอฟเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหงานนี้จะต้องมีการบัดทวงกันมากเลยอย่างนี้ไม่เป็นธรรมใช่ไหม <c oughs> มันจะแปลกใจนะถ้ามันไม่ได้บดรรลนะุแปลกใจหรือยังตอนเนี้ย ไม่แปลกแต่ก่อนยังแปลกใหญ่นะร <c oughs> องวิแนวในวันในบทที่บอกว่าลองแปลที่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลองว่าที่ลองลองช่วยแปลตรงนั้นนงนั้นใช่ <c oughs> ลองอ่านดูที่เขาดูก่อนนี้ <c oughs> อ่า <c oughs> โอเค <c oughs> ตรงนั้น ข น, นาดเรา อ, าอ่านยังอาา่านแทบไม่ถูกแล้วใช่ไหมยังเพิ่งบรรลุ ด, ดีไหม <c oughs> อะไรจริงไม่จริงขนาด อ, าอ่านยังไม่รู้เลยการบรสุกคาลิกานโยกกับอัตติ ก, กิริยมถานโยกนในคํานี้นะมาจากคาว่าทเวเมีพิกเวอันตาก็ปแปลว่าดูก่อนภิกษุนทั้งหลาย ส, ส่วนส่วนสุดทั้งสองอย่างเนี่ยเวลาพระเจ้ากล่าวว่าโทเอมีพิกเวอันตาปปะพิเตเนี่ยเนี่ยเวลาพูดพุทธพจน์คำนี้ ก่าวเป่งพระวาจาเทศนายานออกได้คือพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าที่ดังก้องพร้อมๆกันนั้นน่ะโดยถ้อยคำนี้มารวมกันนะเขาบอกว่าพระสุรเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยลงด้านล่างเนี่ยยันอเวจีมหานรกกระเทือนไปถึงนั้ น, นในเบื้องบนถึงภวักภพ แล้วแพ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุและตั้งอยู่พอได้ยินแค่นี้พรมทั้งหลายอ่ะรีบมาประชุมพร้อมกันเนยทเมพิกเวอันตาปัปพชิเตนนาเซวิตาพาพอพูดแค่นี้นะเสียงสะเทือนปุ๊ปปุ๊ปุปุปุปุยันเอเวจีเบื้องบนนี่ปุ๊ปปุ๊ปุปุถึงพวะวกัะพรมแล้วก็แพ่ไปด้านหมื่นโลกธาตุ พรบ อ, อยู่ไม่ไหวแลวรีบทันทีเลยแต่พวกเราไม่ได้ยินตอนนั้นนะไม่รู้ไปเป็นอะไรขนาดนั้นเลยเนะี่ยตอนนั้นผมทั้งสิบแปดโกรธได้มาประชุมร่วมกันตอนนั้นนะ่ะพระอาทิตย์ในอัสดงคตก็คือว่าในปัจฉิมอาทิตย์พระจันทร์เต็มดวงก็ขึ้นมาในวันอาสาฬหาเนี่ย ทังทิดบุรพากาลังโคจรขึ้นไปในสมัยนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรที่บอกทเวเมพิก e ุเอันตาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าปปะชิตเตก็คืออันบนรรปะชิตบรรปะชิตที่ตัดวัตถุกรรมอันเป็นเครื่องผูกเครื่องพรรณนาการก็คือหัสแล้วบวชแล้วเนี่ยนนเาเสวิตตภ า, าปแปลไม่ไม่พึงใช้สอย พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบรรพชิตไม่ควรเสพเนี่ยก็แปลว่านักบวชทั้งห้านะี่ยเป็นบนรรพชิตกลุ่มฤาษีเนี่ยก็เพราะความที่พวกบรรพชิตเท่านั้นที่เป็นเสมือนภาชนะในการปฏิบัติโดยพิเศษก็แปลว่าบรรพชิตทั้งหลายไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับการ ม, มาสุ ข, ขาริการุโยกการติดมัวผัวพันอยู่ในกา ม, มาสุขในกา ม, มาคุณทั้งหลาย ส่วนเขาว่าโยจายังกาเมสุกามมาสุขาริการโยโคเนี่ยก็ปแปลว่าการประกอบเนืองๆซึ่งกามมาสุขอันเป็นปัจจัยแก่กิเลสมันเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะแต่ราคะดํากิสนาที่ทําให้จิตใจมืดบอดนี่แหละที่ประกอบเนืองๆอยู่ซึ่งกามกามาสุขอันเป็นปจัจจัยแก่กิเลสและกามมาสุขอันเป็นที่อาศัยของกิเลสนั้นน่ยในวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านั้น แล้วท่านก็บอกว่าฮีโนเนี่ยฮโนติเนี่ยก็แปลว่าตำซามคำโมเนี่ยแปลว่าเป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้านปุถุชนีโกก็แปลว่าอันปุถุชนคนที่อ่อนต่อเหตุผลหรือคนที่มืดต่อมืดมนอณฑการทั้งหลายเนี่ยมืดมนต่อการปฏิบัติกันแล้วเนี่ยอนาลิโยแปลว่าไม่ใช่ของพระอิยะ อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เป็นธรรมที่มีอยู่อย่างท่านผู้หมดจดทั้งหลายคือผู้สูงสุดพระรยาเจ้าทั้งหลายไม่ไม่ประกอบตอนเองให้หมกมุ่นอย่างนั้นอนัสสานิโตก็แปลไม่ประกอบด้วยประโยชน์สัตผลเลยอะไรคือเพราะไม่ได้อาศัยเหตุแห่งการนำมาซึ่งความสุขไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขคือพระนิพพานานะแต่เป็นการประกอบตอนเองให้ลาบากเป็นนิส อัตตกิรมาฐานุโยโคทุกโหเวินต้นเหล่าเนี้เป็นการประกอบตนเองให้ลําบากนี่เป็นอัตตกิรมาฐานุโยกนะการทําทุกข์ให้เกิดแก่ตนทุกโขคือเป็นการนําทุกข์มาให้นําทุกข์มาให้นําชาติทุกขชราทุกขพยาที่ทุกขโสกกาปริเทวทุกขโทมนะสาและอุปาญาตมาให้เป็นการนําทุกข์มาให้ด้วยการยังตนให้ตายนะมีการอาศัยนอนบนขวากหนามเป็นต้นเหล่าเนี้ยทีนี้ ในพระบาลีที่บอกว่าอัตต ก, กิรมฐานุโยโคโทุกโคนี่เมื่อกี้ลองช่วยอ่านคาแปลหน่อยทีอ่านดิตรงไรตามแับนิการประกอบตนไล่ไปดิอ้าวโอเคเข้าใจแล้วทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือถามตรงนี้หน่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเรียกปัญญวัคคีมาแล้วนะก่อนที่จะแสดงพระสูตรเนี่ยพระสูตรนี้เรียกว่าปฐมเทศนาใช่ไหม แปลดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายส่วนสืบสองอย่างดังที่ได้กล่าวไว้เนี่หนึ่งคือการประกอบตอนที่หมกมุ่นในการมาสุขในการมาคุณทั้งหลายเป็นของชาวบ้านไล่ไปตามลำดับแล้วก็เป็นอัตตกิรมฐานุโยกทำตนเองให้ลำบากเป็นทุกข์ไม่ใช่ธรรมของภ ร, ริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เดวถามว่าพิกขุเนี่ยคาว่าพิกเวพิคเวเนี่ยพระเจ้าเรียกใครเรียกใคร เรียกใครอ่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าเรียกใครจริงๆพระเจ้าเรียกทำไมตอนนั้นปเป็นวัคคีบวร ด, ด้ยัง <c oughs> <c oughs> แต่ทำไมเรียกอย่างนี้ <c oughs> ไม่น่าจะมีเรื่องสงสัยเลยใช่ไหม พิคูลมีหลยนยยะเดี๋ยวต้งยิงนเนยบอกว่าคําว่าพิคูลเนี่ยเป็นการเรียกกุลบุตรที่อุทิศเพศเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยเนี่ยด้วยศรัทธาใช่ไหมพิคูลอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าแป ล, แปลผู้ที่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยในการเกิดเห็นภัยในความในความแก่ความเจ็บและความตายเนี่ยพวกเราเห็นภัยพวกนี้ไหมเห็นภัยหรือไม่เห็น นะถ้าเห็นภัยในการเกิดเป็นต้นเหล่าเนี้ยท่านบอกว่าได้นามว่าภิกขุในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยแต่ถ้าหากเป็นผู้ที่ถือเพศนั้นว่า ก, ก็บุคคลที่นุ่งห่มผ้าที่ตัดเย็บยอมถูกตามพระวินัยจะเป็นหญิงหรือเป็นชายที่กล่าวอัเนี้ยเป็นภิกษุเหมือนกันนะในฐานะที่ว่านุ่งห่มผ้าที่ยอมน้ําฝาดหรือที่ก็ตัดเย็บ กนระบบที่บวช ด, ด้วยศรัทธานะที่เห็นภัยในวตาสงสารก็มีโวหารว่าเป็นภิกษุเหมือนกันที่นี่ความหมายหนึ่งก็คือว่าผู้ใด ย, ย่อมทําลายซึ่งกิเลสทั้งหลายเหตุนั้นผู้นั้นก็เรียวกว่าภิกษุผู้ใดแม้เป็นผู้นุ่งห่มผ้าที่ท่านตัดทําลายแล้วก็เรียกว่าคำว่าอย่างเงี้ยเขาตัดเนี่ยเขาตัดนี่ตัดทําลายแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยเอามาตัด ตัดตัตัดเป็นชิ้นชิ้นชิแล้วก็เย็บให้เป็นตะข่ายให้เป็นตารางเนี่ยให้เป็นกระทงให้เป็นขันนี่เขาเรียกว่าบุคคลใดที่ใช้ผ้าที่เขาทาลายความสวยควางามทิ้งไปแล้วนั่นบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าภิกษุอันนี้ตามพระวินัยนะแล้วนักบวชเป็นอย่างนั้นแหละงั้นผ้าดีๆก็มาตัดก่อน ตัดตั ด, ต ด, ตดเป็นชิ้นชิ้ น, น, น, น, น, น, นปุ๊บแล้วก็มาเย็บแปลว่าผ้านี้เอาไปให้ใครใช้ไม่ได้แล้วใครก็ไม่อยากใช้แล้วเนี่ยนักบวชก็เป็นอย่างนี้นี่ น, นีิว่าตามพระวินยัยส่วนผู้เห็นภัยในสงสารเนี่ยคนบวชผูม้มีศรัทธามีศรัทธาแล้วบวช ด, ด้วยมีปัญญาเห็นว่าโลกคือขันโลกคือขันห้า เป็นความทุกข์รูปขันเป็นทุกเวทนาขันก็เป็นตัวทุกสัญญาขันก็เป็นตัวทุกสังขาระขันก็เป็นตัวทุกวิญญาณขันก็เป็นตัวทุกขมันต้องเกิดดับอยู่ทุกทุกขณะมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเร็วยิ่งกว่าวาแลบเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยก็เห็นไัยของการเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อก็ขันห้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ย อันนี้จิงเรียกว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารในวัตตะในวัตตาสงสารทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยขันห้าเนี่ยโรคคือขันห้าเนี่ยโรคนะต่ละโอลอลริงกไก่เนี่ยโรคคือขันห้าเนี่ยมันเกิดดับอยู่ทุกๆขณะแต่เราไม่เห็นแต่เมื่อท่านได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็คร่ครวน จากสุดตะจากข้อมูลและมนัสการเห็นความจริงว่าแม้รูปขันกาวคือเซลล์ในร่างกายนะมันเกิดดับสืบต่อทุกๆขณะแมนามธรรมคือเวทนาสุขทุกข์แล้วเฉยเฉยก็เกิดดับทุกๆุกขณะแม้สัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็เกิดดับทุกๆขณะและสังขารการปรุงแต่งกิจที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายก็เกิดดับทุกๆขณะ เม็ตัวจกักขวญวิญญาณโซต่วิญญาณวิญญาณที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดดับอยู่ทุกๆุกขณะท่านผู้ใดที่ไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของโลกคือขันห้าเนี่ยเกิดดับทุกๆขณะเหล่านี้แล้วเกิดเบื่อนหน่ายเข้นโทษของการสืบต่อของกระแสชีวิตที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไม่จบไม่สิน้นทุกๆขณะและไม่ใช่แค่นั้น โลกคือขัน5ยังเป็นปัจจัยทาให้เกิดไฟคือราคะคือความกำหนัดทาให้เกิดไฟคือโทสะคือความโกรธทาให้เกิดไฟคือโมหะคือความมืดบอดด้วยเนี่ยนะทุกๆขณะอีกด้วยเมื่อวิปัสสนาญาณยังไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดมีแต่ความมืดมนอนทการที่ไม่สามารถไปเห็นความจริงนี้ได้โมหะก็ปิดบงังไม่เห็นความจริงของโลก คือขันที่มันกําลังเกิดดับอยู่ทุกๆขณะกระแสของกองทุกหรือว่าต่ทุกข์ที่มันเกิดดับทุกๆขณะเนี่ยไอตัวโมหะไปปิดทําให้ไม่เห็นความจริงตรงนี้แต่พอท่านได้มายินได้ยินพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าโลกคือขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกมันเกิดดับอยู่ทุกๆขณะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอท่านไปเห็นความจริงอย่างนี้พอไปไข่ควรด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านสะดุ้งสะเทือนแล้วกลัว พรากลัวขึ้นมาก็เบื่อหน่ายไม่เอาแล้วอยากจะหาทุนทางอยากจะหาทุนทางพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมจักใช่ไหมก็ธรรมจักกับปวัตนาสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่บรรดาลที่ทําให้เกิดธรรมะคือข้อปฏิบัติสายกลางว่าถ้าดําเนินไปตามสายนี้แล้วมันจะออกจากโลกมันจะออกจากขันห้ามันจะออกจากไอสังสารวัฏมันจะออกจากหนีภัยคือความน่ากลัวนี้ได้ทางไหนมันก็หนีไม่ได้ก็มองเห็นไหม ไปทางนั้นก็ ว, วิบัติทางนี้ก็ ว, วิบัติการมาสุขาลิการุโยกก็ ว, วิบัติอัตกิเลมัานุโยกก็ ว, วิบัติแต่มีอยู่ทางเส้นนี้คือมชิมาปฏิปทาถ้าดําเนินไปแล้วมันจะรอดและปลอดภัยมันจะออกจากโลกคือขันหานี้ได้โอ้โหไม่ก็อยากออกเลยอย่างนี้เขาเรียกภิกษุเห็นภัยในขันห้าพวกเราเห็นนี่ยังเห็นโดยสุตตาใช่ไหมหรือเห็นบางครั้งเห็นบางครั้งไม่เห็น ทีนี้ก็คือว่าขันห้าหรือโรคหรือขันห้าเนี่ยมันกําลังเกิดอยู่ดับอยู่ตลอดเวลาทั้งทวารตาก็เกิดดับสืบต่อจากขุทวารทั้งทวารหูก็เกิดดับสืบต่อทั้งทวารจมูกก็เกิดดับสืบต่อตลอดเวลาทวารลิ้นทวารกายและทวารใจสรุปแล้วทั้งหทวารเนี่ยมันไม่มีสาระไม่มีอะไรกีหลังยั่งยืนเลยมันเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเลย เนี่ยมันไม่เห็นโมหะปิดก็ไม่เห็นทีนี้ก็คือว่าเพราะเราไม่เห็นสัจจะไม่เห็นความจริงไม่เห็นทุกขสัตย์ข้อนี้ทั้งๆที่มันเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลานี่แหละแต่พอพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยความจริงขึ้นมาปุ๊บเนี่โอ้โหเกิดความเบื่อหน่ายไม่เอาแล้วเลยได้น้ำว่าภิกษุผู้เห็นไัยในสังสารวัฏเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด เห็นภัยในการเกิดดับสืบต่อกันของกระแสชีวิตเหล่านี้พวกเราฟังอย่างนี้พอเห็นนิดๆหน่อยๆบ้างไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นไหมตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นเหตุให้อยากก็คือเป็นเหตุให้ทุกข์นี่คือขันห้าที่กำลังว่าสัจจะ ก, ก็คือความจริงนี่แหละของพระริยเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบอกว่า บุคคลที่ยังยานปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นทุกเห็นโลกเห็นทุกขสัจจะนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อเห็นทุกขสัจจะที่มาเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลานี้ตามความเป็นจริงก็เบื่อนหน่ายว่าเราอยู่กับอะไรเนี่ยอยู่กับของที่มันเมื่อสักครู่เนี่ยมันยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้ว ไอ้สิ่งนั้นมันดับไปแล้วก็ก็มีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสืบต่อแล้วก็ดับไปอีกเกิดขึ้นสืบต่อแล้วก็ดับไปอีกเกิดขึ้นสืบต่อแล้วก็ดับไปอีกมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามองเลยมันมันน่ากลัวนะถ้าไปรู้ความจริงข้อ น, นี้มันน่ากลัวไหมว่าเออเนี่ยแต่เรายังเห็นเป็นแท่งทึบ อ, อยู่ใช่ไหมเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายอยู่อะแต่ความจริงของโลกคือขันห้า มันไม่เคยหยุดนิ่งตัวมันเองเลยมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันยังเป็นปัจจัยทําให้เกิดไฟคือราคะความกําหนัดไฟคือโทสะความโกรธไฟคือโมหะความหลงด้วยไอ้ไฟสามกองเนี่ยมันก็เผารนสัตย์ตรอลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมทางทวารตาก็ร้อนไฟคือราคะก็เผาโทสะก็เผาโมหะก็เผาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจมันก็ถูกไฟสามกองเผาอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ท่านโหไม่เอาแล้วพอเห็นความจริงเข้าใจความจริงตรงนี้ท่านก็อยากจะเบื่อหน่า อ, อยากจะออกจากไปเหล่านี้พอมองเห็นอย่างในตรงเนี้ยในนามของภิกษุเป็นไปในรักษั่งเงี้ยเขาแปลผู้เห็นภัยผู้เห็นภัยนั้นจึงเป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งที่เรายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นภัยได้อย่างไรใช่ไหม มันเป็นภัยได้ยังไงแต่บรรดาบุคคลที่เขาได้นาเข้า่าพิกกลเนี่ยเหมือนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านเห็นไหมอ้าท่านกลัวภัยอย่างงี้ไหมท่านก็กลัวที่ท่านไปประพฤติปฏิบัติแบบทรมานตนเองเนี่ยท่านต้องการอะไรอ้าท่านต้องการออกจากทุกข์เหมือนกันท่านก็เห็นว่าเป็นภยัยแล้วท่านคิดว่าแนวทางนี่มันจะออกมันจะหนีได้ใช่ไหมพระเจ้าเลยขอบอกไอ้ทางนั้นมันออกไม่ได้ มันเป็นอัตตากิริยาภานุโยกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นหมกมุ่นในกรารมาสุขในกรารมคุณก็ออกไม่ได้อีกก็เลยบอกไอ้สองทางเนี่ยอันตาเนี่ยไอ้ส่วนสุดสองทางเนี่ยออกไม่ได้เขาแปลว่าที่สุดอันตาสัพท์เนี่ยตามอัตถกถาท่านสแสดงมาว่ากฎฐานสัตย์ที่แปลว่าส่วนส่วนสุดหนึ่งคือการมาสุ ข, ขาริการนุโยกก็หมายกาว่าการประกอบตนให้หมกมุ่นติดอยู่ในกรารมาสุขเป็นนิดก็ออกไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการว่าจะฆ่าความโกรธโดยการเข้าใจว่าถ้าคนเรามีแต่ความสุขสบายแล้วกิเลสคือทมานัสความน้อยใจมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เขาคิดอย่างนั้นไอ้พวกที่ไปหมกมุ่นในการมาสุขคิดว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยงไงวิธีการฆ่าความโกรธก็เราก็หมกมุ่นในการมาคุณในการมาสุขสิที่ พอไปหมกมุ่นในการมาคุณในการมาสุขไปติดแน่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผลจะพาเสียโทสะมันก็ตายไปเองใช่ไหมโทสะมันก็ไม่เกิดเพวกหมกมุ่นในการมาสุกคิดว่าเป็นป น, นิพพานของเขา <c oughs> เอะมันมีจริงๆริในละทีเนี่ยการทําให้ตันเองเพลินชื่นชมในรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอ ม, หอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆใช่ไหมทำอารมณ์นี้น่าเพลิดเพลินนี้น่ายินดีนี้น่าชอบใจเนี่ยวิธีการฆ่าความโกรธ เม่งเห็นดีด้วยไหมวิธีนี้ความโกรธก็ตายดิความโกรธก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเรามีแต่ความสุขสบายกิเลสคือความโทมนัสน้อยใจมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยลัทธิเหล่านั้นก็พยายามอีกกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะทรมานตนเองใช่ไหมเขาเรียกอัตตากิลมัฐานโย ก, กกลุ่มอัตตกิลมัฐานโยกก็คือ ทรมาตนตนด้วยการนอนในนน้ำในฤ ด, ดูหนาวแช่เอาตัวเองไว้แช่ในน้ำในฤ ด, ดูหนาวนอนบนขวางหนามย่างอยู่บนไฟนี่เขาคิดเอาเองว่าถ้าคนเรามีแต่ความทุกข์ยากลำบากกายแล้วเช่นนี้แล้วกิเลสคือความรักความกําหนัดจะเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้กลุ่มอัตติกิริมัธานโยกเนี่ยเขาคิดอย่างนะี้นะไอ้กลุ่มทรมานตนเองเนี่ยเขาต้องการทําลายอตัณหาไอ้ความรัก ความติดแน่นความยินดีเพื่อเพลในกายต่อไปจะไม่เกิดแล้วฉะนั้นไปทรมานซะเลยหน้าหนาวนุ่นลงในน้ําหรือไปเนี่ยพอน้าพอร้อนๆไปย่างอยู่ในไฟบ้างไปนอนอยู่บนหนามบ้างไปนอนอยู่บนตะปูบ้างไปทรมานร่างกายตัวเองทําเงี้ยต่อไปตันหาคือความยินดีทั้งหลายมันจะได้ตายไปมันจะได้หมดไปหูเขาออกจริงเขาจางกันมากนะเขาคิดว่าเนี่ยทางเนี่ยมันหลุดพ้น มันจะพ้จากกิเลสเขาเห็นโทษนะอีกกลุ่มหนึ่งเห็นโทษของโทสะอีกกลุ่มหนึ่งเห็นโทษของตัณหานี่นี่ทกันอย่างอุกฤษคือเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกกลุ่มอัตตกิริมัฐานุโยความลักความกําหนัดจะได้เกิดขึ้นไม่ได้ก็เรียกอัตตกิริมฐานุโยมทีนี้ถ้าถามว่าเพราะเหตุอไรการที่ประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกาม หรือการทรมานตนให้ลําบากเปล่าเนี่ยด้วยการนอนบนหนามเป็นต้นเลยเนี้ยทําไมจึงเรียกว่าอันตาก็แปลว่าที่สุดทําไมแปลว่าที่สุดทําไมถึงแปลว่างั้นทำไมถึงแปลว่าที่สุดสายที่เกิดกิเลสเขาเรียกว่ามันสุดตรง มันสุดตงมันไม่เป็นมชิมาปฏิปทาและไอวิธีการสุดตงเนี่ยพวกเราเนี่ยถามหน่อยว่าพวกเราเป็นคนคิดที่สุดตงหรือไม่สุดตงพวกเราเป็นกลุ่มสุดตงหรือเป็นพวกมชิมาปฏิปทาเดี่ยถามอา้าวหมอสุดต่งไหมกลุ่มไหนเราเป็นกลุ่มอัตกิลามัานุโยคหรือการมัศุขาลิกานุโยคไม่ได้ถามหมอก่อนว่าไง เป็นกลุ่มการชอบหมกมุ่นในกาลมาสุขในกาลมาคุณหรือชอบเครียดชอบวิตกกังวลอัตตกิลาภฐานนิโยโกลุ่มนี้กลุ่มอัตตกิลาถานนิโยโญ่ใช่ไหมชอบเครียดชอบวิตกกังวลตลอดเวลาเลยใช่ไหมชอบทําตนเองให้เป็นทุกข์ <c oughs> กลุ่มทรมานัวเองนี่แล้วใครกลุ่มกามาสุขกาลิการนิโยโญ่ชอบประกอบตนเองให้อยู่ในกาลมาสุข ชอบเพลินเพนสบายสบายนี่สองขั้วสองขั้วสุดต <c oughs> มีมีคำโบราณ เ, าาา เ, าเาาา็าบอกว่าโบราณเขาก็ตั้งข้อห้ามไว้บอกว่าขนทางใหญ่อย่าให้จอเลี้ยงลูกอ่อนอย่าให้กอดให้รัด สมพานเจ้าวัดอย่าให้อาหารหนทางใหญ่อย่าให้จรน <K l> um <ma> คำว่าหนทางใหญ่อย่าให้จรนก็คือขนทางเดินสองทางใหญ่ๆอย่าจรนอย่าเดินไปคือกาเมศสุขาลิการุโยกนี่ก็ทางใหญ่นะทางนี้อย่าเดินไปนะ อัตกิรสมาฐานุโยกการประกอบตนให้ลําบากเครียดวิตกกังวลทั้งหลายก็อย่าจร อ, อย่าเดิมเนินไปอย่าเดินไปเส้นสองทางเนี่ยอย่าอย่าเดิมเนินอย่าจรไปอย่าเดินไปทางใหญ่สองทางนี้ท่านห้ามยิงไม่ยิงแต่พวกเราไม่เชื่อเราชอบเดินกันนักไอ้ขนทางสองขนทางเนี่ยระหว่างขนทางที่เดินไปหาการ ม, มาสุขด้วยกิเลสกรรมด้วยวัตถุกรรมการ ม, มาสุขและการ ม, มาคุณชอบไหม สีที่ส ว, สวยเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่อมหอมรสที่อร่อยรสมันที่นิ่มๆทางที่มันสะดวกสบายชอบเดินไหมไปห้างก็ขึ้นเขาชอบแย <c oughs> ชจบไปห้างไปแล้วมีความสุขไหมเ <c oughs> พล น, นะมีความสุขใช่ไหมโอ้โห oh. นี่พวกนี้พอ ก, กามะสุ ข, ขาริการโยก <c oughs> มีความสุขมาก ได้ได้จ่ายเงินไปเรื่อยๆเืยๆมีความสุขไหมสุขมากเลยนะเดินวนวนวนูวน น, น, นั่นนะมีมีใครนะที่บอกว่าไปกับภรรยาไปกับแฟนไปเดินพาแฟนแฟนก็นไปชอปปิง้งห้าชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ยังไม่หยุดผู้หญิงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมั้งผู้ชายก็ไปบอกว่า เมื่อไรจะกลับโอ้โห พ, พูดเแบเนี้เธอกลับมาตะหวาดโอ้ทำให้ชอปปิ้งของฉั น, นี่หมดความสุขดา่าตะโกนด่าผู้ชายเขาน้อยใจมากเขาไม่รู้จะไปไงถ้าอายคนอื่นด้วยโดนด่าด้วยเขาก็วิ่งกระโดดอดชั้นสองลงมาตายเลยนี่ออกข่าวนี้ระวังเป็นยางงบ้างครับ ค็น้อยใจก็อายเขาไงคือเขากรีดร้องออกมาเลยว่าแหมทำลายความสุขเขาเขาเพิง่งเขาเพิ่งเดินแค่ได้หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงพขากำลังมีความสุขจากการได้ซื้อของได้จ่ายของพวกเราเป็นไงนไพวกเราเดินกันแต่ครั้งกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงสองปรสองสามชั่วโมง ีกลุ่มกรรมหนทางใหญ่อย่าให้จอนก็คือหมายวิธีปฏิบัติตนประกอบตนให้หมกมุ่นในการมาสุขอย่าจอนอย่าเดินหรือการประกอบตนเองให้ลำบากที่เป็นอัตกิรมาานุโยกปอย่าเดินหรือการที่ตนเองเนี่ยไปหมกมุ่นในสัจสตาทิฏฐิไปเห็นว่าเทียงหรื อ, อเฉตทิฏฐิเห็นว่าขาดสูนยพวกเนี้ยหนทางเหล่านี้อย่าจอ เพราะเป็นวิธีที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางก็คือไม่สามารถนำพากระแสชีวิตนั้นเนี่ยพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้ก็จะจมอยู่กับกิเลสและกองทุกข์ทีนี้อีกความหมายหนึ่งเลี้ยงลูกอ่อนเนี่ยอย่าให้กอดให้รัดนี่แปลว่าอะไรเลี้ยงลูกอ่อนอย่าให้กอดให้รัด เราเล Vera, ี้ยงลูกอ่อนเราชอบกอดชอบรัดเขาไหมชอบหรือไม่ชอบก็หมายความว่าสมบัติอันเป็นที่รักท mm, ี่ห่วงแหนของเราเนี่ยท่านสอนว่าอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นมากนักถ้าขืนไปยึดมั่นจนมากเกินไปเวลาของรักเหล่านั้นมันเกิดวิบัติเสียหายไปตามกฎธรรมดาของมันปุ๊บตนเองก็จะต้องทุกข์ทรมนัอย่างมากมาย เหตุนั้นท่านจึงสอนบอกว่าสักวันหนึ่งของรักเหล่านี้ก็ต้องพัดพากจากเราไปจริงไม่จริงทุกอย่างไหมมันจะต้องจากเราไปเวลาของรักเหล่านั้นมันเกิดเสียหายจากเราไปปุ๊บเราก็จะได้รับทุกทรมนัตอย่างมากเหตุนั้นท่านจึงสอนบอกว่าสักวันหนึ่งของเหล่านี้ต้องจาก เราก็ต้องตายจากเราเราตายจากเขาเป็นต้นีห้พิจารณาว่าแม้สิ่งของรักเหล่านั้นเราก็จะต้องพัดพากจากมันอย่างแน่นอนให้มนตรีการให้ใส่ใจอย่างนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสมภารเจ้าวัดอย่าให้อาหารหมายถึงอะไรสมภารเจ้าวัดนี่คือตันหาตันหา กามตัณหาเพราะวาตัณหาวิเพาว่าตัณหาเนี่ยความทะยานอยากในการมาคุณทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันมีกําลังมากอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องนะไม่ต้องไปให้อาหารมันก็คือว่ารูปที่สวยๆเสียงทีเ่เพราะเป็นต้นกลีบหอมเนี่ยอย่าไปบําเบอมันมากนักอย่าไปให้อาหารมันมากเพราะมันโตมาพอแล้ว ใช่ไหมยิ่งให้อาหารมันก็ยิ่งไปใหญ่สิตอนนี้ยกิเลสมันยิ่งโตไหมจากนั้นถ้ามันอยากจะซื้ออะไรอยากจะไปใช้จ่ายอะไรทั้งหลางๆละไเนี้ต้องหัดตัดรอนมันบ้างใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อย่าไปให้อาหารมันพอใจอยากจะซื้ออะไรที่มันของประดับของเครื่องเล่นอะไรทั้งหลายอะไรนี้วิธีการต้องทำไง บอกว่าเอานะถามว่าถ้าซื้อเครื่องประดับนี้ฉันจะไปบูชาพราะบรมสารีริกธาตุซื้อไหมถามถามใจตัวยอย่างนีฉันจะซื้ อ, อไปบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆนะเนี่ยแหวนก็ดีเพชรก็ดีเครื่องประดับก็ดียังอยากจะซื้อไหมแต่ถ้าซื้อเนี่ยฉันจะอาไปบูชาพระพุทธเจ้าเนะคิดว่าตัญหาจะยอมไหมยยอมไม่ยอมตัญหาก็บอกว่า เอาซื้อไปก่อนเดี๋ยวไปตัดสินใจกันทีหลัง <c oughs> เดี๋ยวไปตกลงทีหลังอย่าไปเชื่อพันนะด้อย่างเงี้ยนะอย่าไปพเพรใครเข้าจริง <c oughs> ๆเนี่ยมั้นบอกเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาไปขอชมก่อนขอชมก่อนใช่ไห <c oughs> มต้องบอกถ้าซื้อก้าไหมสละวันนี้เดี๋ยวนี้เอาไปบูชาพระเจ้าก้าไหมก้าก้าเอาแหวนเอเพชรไปสละบูชาไหม สระบูชาเลยเช่นได้ทองแท่งมานี่เอาแล้วเขาจะหลอ่อพุทธโลที่ไหนไปเลยพอก็กำใช่ไหมทำพิธีหล่อเนี่ย อ, อ้อยอดลงไปในหลุมหล่อเนี่ยให้ละลายไว้ต่อหน้าต่อตาเลยชื่นใจเลยทำได้ไหมถ้าสองบาทก็พอว่าถ้าสิบบาทขึ้นมาชักชักมือสั่นแล้ว ถ้ายี่สิบาทโอ้โหชหนักใจเลยเด๋ยวนี้ถ้าร้อยบาทไหไหมไม่ไหวแล้วเห็นไหมเนี่ยพอร้อยบาทไม่ไหวห้าสิบาทไหวไหมไหวไหมไหวไหมเนี่จะคิดนานเลยเนี่ยเอาสี่สิบาทไหวไหมหนักสี่สิบาททองคำเนี่ย กล้าเอาเป็นหลอมละลายทําเป็นพุทธรูปไหมให้คนอื่นเขาได้บูชาเขาจะได้บุญเขาจะได้สุขติจะได้เป็นปัจจัยทําให้คนทั้งหลายได้สุขติพบเราลงทุนแค่สี่สิบาททองคําเนี่ยแต่คนไปทุกไปสุขติเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนับไม่ถ้วนไม่กล้าหรือหรือว่าปัญหาไม่ยอมเห็นมไหมแค่นี้คิดนานเลยเนี่ยอันนี้ขนาดแค่พูดนนเนี่ยเนี่ย แต่เด็กเขไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยสละเลยใช่ไหมเคยไม่เคยไม่เคยสละแบบนี้ไหมสละแบบต่อหน้าต่อตามีอยู่ครั้งหนึ่งเ น, นืที่จังหวัดสุพรรณบุรีอูหูเขาก็มีพิธีการหลอ่อเนี่ยหลอ่อพระธูปเนี่ยมีประธานมีคนเป็นใหญ่ๆตัวโตวไปเนื้อก็เอาทองคําเอาเล่งต่างไปบางคนก็สิบบาทบ้างบางคนก็ห้าบาทบ้างอะไรบ้างไปเนะ เออในงานมีมีสองตายายเดินเขี้ยวหมากจับๆมาแกแล้วนั่งเอาไปนั่งอยู่ข้างหน้าเลยถือตะกร้าหมากมาคนโบราณเนี่ย น, นะพอเขาทำพิธีหลอมล้อ ม, อ ม, อมแกก็ยกตะกร้ามาแกก็เอาผ้าพันพันออกโอ้โหเป็นอะไรไมเ่เป็นเข้มขัดทองคำหนักหลายร้อยบาทมั้งเนี่ยทองคำแกเนี่ย ทุกคนก็หันมามองแกก็เดินสองตายายยกมือจบแล้วก็เอาไปหยอดลงในหลุมนะ่นแกมีชิ้นเดียวของแกเลยเนยเนี่ยไปใส่ในในนั้นเนะ่ทุกคนโศกนี่พูดไม่ออกเลยอนะ่ะคนแก่อยู่กับตอบเนี่ยจะเก็บเก็บไว้ทั้งชีวิตของแกเลยเนี่ยไอ้นี่เข้มขัดทองคำแกเนี่ยแกบอกชิ้นสุดท้ายนะที่มีอยู่แกต้องการจะหลอมเป็นพระพุทธรูป ดูสิเนะี่ยนี่คนจนนะหาเช้ากินข้นามนะแต่แกเก็บสมบัติมาแกทั้งชีวิตของแกเนี่ยถ้าแกขายก็ได้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยหลายร้อยบาทหยอดลงไปในหลมุมนั้นพากลตลึงกันหมดโอ้โหไม่ไหวแล้วศรัทธาทำไมขนาดนี้ฮ้องออกมาเนี่ยนี่ทำลายอะไรกิเลสแต่แกคงคิดมานานนะเนะใช่ไหมสองตายายต้องปรึกษากันมานานเนก้าสละเลยหลอมเป็นพุทธรูปไปเลย ไอ้คนอื่นพากันเสนด็จได้แนแกพากันเสนด็จได้แนแก น, แกนี่ตัณหาเขาทาลายอย่างนี้ถ้าเราอยากจะกินเค้กอยากจะกินช็อกโกแลตอยากจะกินอะไรก็แล้วแต่นะที่มันหิวแร้วอยากมากเนี่ยเอาเลยเนี่ยหยิบมาเลยแล้วก็เดินไปเลยเจอพระถวายพระเจอเพื่อนให้เพื่อนเจอพ่อเจอ ใ, ใครๆที่เขาชอบให้สละเลยวันเนี้ย ฉันจะทำลายตันหาฉันพอให้เขาได้ไอ้ตันหามันจะร้องไห้ให้เราดีใจเลยอบนี่ฉันทำลายมันได้แล้วให้สะใจอะ่ะทำได้ไหมเริ่มตั้งแต่วันไหนวันนี้เลยต่อไปทำลายเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาบอกอยากให้อาหารมันเสริมพานเจ้าวัดก็คือไอ้ตัวตันหานี่ความยินดีพอใจในรูปแสียงกินรสเนี่ย ต้องทำลายมันไม่ใช่ทำลายมันไม่ใช่ทำลายร่างกายเราให้สุดโทมเะยเนี่ยมันทำลายอตัณหามันโตจัดแล้วมันอ้วนแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมตัณหามันอ้วนมากมันมีกําลังมากเราต่าหากที่เป็นธาตุมันใช่ไหมแต่ต่อไปเน่ะเราบอกว่าเราจะไม่เป็นธาตุมันอีกแล้วทีจะทําลายมันมันไม่ใช่เรื่องเงินทองนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทรัพย์มันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องตัณหา ต้องการทำลายตัวนี้เข้าใจยังในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเนี่ยพระชินเจ้าพราสัมมาสัมพุพทธเจ้าทรงประสงค์ทรงประสงค์ว่าบรรปชิตเนี่ยที่มุ่งหมายในพระสูตรนี่คือบุคคลที่สระกิเลสเนี่ยนะสระกิเลสที่บอกว่าบรรปชิตไม่ควรเสพเนี่ย บันประชิตก็หมายความว่าผู้ที่ตัดวัตถุกรามก็คือวัตถุอันหน่าไข่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอันหน่าไข่หน้าพอใจชวนให้ลักชั่ให้ใกายเป็นสังยวดเป็นเครื่องผูกเนี่ยเครื่องผูกพันของคารวาต้อออกบทให้บันประชิตเนี่ยบาลีที่บอกนเสวิตตพาที่แปลกันว่าอันบันประชิตไม่ควรเสพเนี่ย เมื่อมองอย่างนี้ไม่ควรเสพแต่ในลักษณะนี้ก็หมายความว่าบรนประชิตเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยรูปที่สวยๆเ ส, สียงที่พราะๆกลิ่นที่หอมๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้อนอันบันประชิตไม่ควรเสพหรือพุทธบริษัททั้งหลายไม่ควรเสพในที่นี้หมายความว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสโปรตีนเนี่ยอันหน้าปราถนาหน้าไขา่หน้าพอใจเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องแบบเสพเสพมันจะมีสองอย่างคือชอบกับไม่ชอบ นั้นบัณฑิตไม่ควรเสพก็คือให้พัฒนาจากเสพเข้าไปศึกษาคำ ว, ว่าศึกษาเนี่ยแปลว่าเราเข้าไปใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะไปเห็นความจริงของสิ่งนั้นที่มันจะไม่เสพใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันติดอยู่แค่เสพก็คือเช่นสีเนี่ยเราดูเนี่ยมันก็ดูได้ดูได้ก็คือชอบก็ไม่ชอบเสียงก็ชอบก็ไม่ชอบกลิ่นก็ชอบก็ไม่ชอบมันอยู่แค่นี้ รถก็ชอบไม่ชอบสัมผัสก็ชอบก็ไม่ชอบธรรมารมณที่เป็นอดีตนาข้ปัจจุบันก็ชอบก็ไม่ชอบนี่อยู่กันแค่เสพบรรพชิตหรือพุทธบริษัทเนี่ยไม่ควรติดอยู่กับแค่เสพแต่จะพัฒนาไปศึกษาไงศึกษานี่แปลว่าเป็นเรื่องของปัญญาแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าไปวิจัยแยกแยะเห็นคุณเห็นโทษมันแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเห็นข้อดีข้อด้อยก็มันเห็นว่าจะดําเนินการในการที่ฝึกผลพัฒนากระแส ของความคิดของตนเองไงให้เกิดปัญญาเรนรู้และเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นแต่บัณชิตธนวมไม่ควรเสพไม่ควรจะปฏิบัติตามก็หมายความว่าการเสพก็เพราะว่าภาวะที่บัณชิตบัณชิตที่บอกว่าไปเสพติดก็คือไปติดชอบใจก็ไปหมกมุ่นมัวเมาเป็นการมาสุขาริการิโยไม่ชอบใจก็เครียดก็โกรธนะ ก็ไปทําตนเองให้เดือดร้อนก็เป็นอัตตกิรมาฐานโยโย่ถ้าเสพก็คือโลภะเป็นการมาสุขาริการโยโย่โทสะก็เป็นอัตตกิรมาฐานโยโย่เอาสิเราก็อยู่กันแค่นี้โลภะโทสะโลภะโทสะโลภะทะแต่มัชฌิมาปฏิปทาก็คือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยที่มีปัญญาเข้าไปรู้ไปเข้าใจและไปแยกแยะในกรณีาการที่จะดําเนินกระแสะความคิดเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นตัวอันนี้เรียกศึกษาใช่ไหม แยอะมากเราไปกันไม่ค่อยถึงเราก็ได้ติดกันอยู่แค่เซทกี่ทุ่มแล้วเนี่ยฮะในข้อปฏิบัติอันเป็นทางสุดตรงเนี่ยที่ทรงห้ามทางสุดตรงเนี่ย ในข้อแรกที่บอกว่าการประกอบตนที้ติดแน่นอยู่ในกามสุขเป็นนิดเนี่ยในกามคุณทั้งหลายคําว่ากามสุกกามคุณเนี่ยท่านหมายถึงตัววัตถุกามนะกัวัตถุกามก่อนอันนี้เป็นบ่วงแห่งมารก็แกเป็นปใจใัจจัยเกิดกรรมความสุขคําว่ากามคุณเนี่ยกามคุณศัพท์นี้ก็แปลว่าเครื่องผูก รูปที่สวยๆเสียงที่พ้อๆกลิ่นเดียวหอมรสเที่ยอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆเนี่ย น, นี่เป็นการมาสุขการและอย่างหนึ่งก็คือบ่งบอกทั้งตัววัตถุกรรมจะมีความหมายหนึ่งหมายถึงตัวกิเลสกามมีสองตัวนะสีเสียงกลิ่นรสผลิต ภ, ภัณฑอันหน้าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข่พาใจให้กำนัดอันนี้เป็นวัตถุกรรมบ้านเป็นวัตถุกรรมไหม ทรย์เป็นวัตถุกรรมไหมมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นวัตถุกรรมหมดไหมเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นเป็นวัตถุกรรมใช่ไหมหมดเลยนะโลกใบนี้ทั้งใบเป็นวัตถุกรรมไหยเป็นวัตถุกรรมกามาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิในสามพบเป็นเป็นวัตถุกรรมหมดเลยเป็นวัตถุที่น่าใคร วัตถุใดๆก็แล้วแต่ที่น่าคล่ยน่าพอใจทั้งหลายเป็นวัตถุก ร, รมใช่ไหมทีนี้เอาแหละที่วัตถุกรรมที่ประการต่อมาคือกิเลสกามคือกิเลสกิเลสที่เป็นตัวเข้าไปไข่เข้าไปติดยินดีอันนี้ เ, เกิดในใจที่เข้าไปติดไปยึดไปยินดีทั้งหลายเนี่ยมีสองส่วนใช่ไหมวัตถุก ร, รมกับกิเลสกามเรามองศาลาหลังนี้เป็นวัตถุกรรมไหมเป็นวัตถุกรรมปะ มองได้สองส่วนนะมองเป็นวัตถุทานได้ไหมมองเป็นวัตถุกรรมได้ไหมดโดยส่วนใหญ่เรามองเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานฮะถ้ามองปุ๊บเราชอบกับไม่ชอบนี่เป็นแต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานก็คือเออเราจะให้คนได้มีให้มีคนมีความสุขถวายเป็นบูชาพป็นรัตนาตา อ, อันนี้เป็นวัตถุทานใช่ไหมเรา มีบ้านของเราเนี่ยเรามองเป็นวัตถุ ก, กรรมหรือวัตถุฐานเป็นวัตถุกรรมเลยไหมเออเป็นบ้านเราเป็นของเราใช่ไหมใครเข้ามาเชี่ยวมาอยู่นิดๆหน่อยๆโกรธไหมโกรธเขาขอมาหลบฝนหน่อยขอไหมหลบฝนสักสิบคนไหวไหม แท็กไม่ค่อยไหวเลย <laughs> มันเป็นวัตถุกรรมเหมอะนนะ <laughs> ถ้าเป็นวัตถุฐานนี่ให้เลยนะเนี่ยใช่ไหมหมดปลวกในบ้านเยอะไหมมดในบ้านเยอะไหมเราเคยบอกไหมเอ๋อเชิญอยู่กันตามสบายเธอเชิญอยู่กันตามสบายเอ อารถณันคนี้เชิญเลยมดมาอยู่ก็ได้ไม่เครียดเลยถ้าเข้ามาอยู่โอ้อย่าเขออย่าเดือดร้อนนะเงี้ยเป็นเ ง, งี้ยไหมแสดงว่าอยู่เป็นวัตถุกรมอยู่โอ้โหรุนแรงเกินกิเลสดูแลต้องชื่นใจด้วยต้องดูได้จิตชื่นใจ ถ้านนา่งหงิกน้าง อ, างงองไม้ได้นะต้องระวังหนะึ่งมันเครียดกินกันก น, นะนะต้องระวังกันนะ่แต่การดูแลเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จริงในบ้านที่เราอยู่เนี่ยมดปลวกอุย้ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมต่างฝ่ายต่างก็แย่งชิงกันแย่งกิงวัตถุกรรมกันเนี่ย ในกาเมสุกาสมาสุขาริกา ร, าการนุโยโคนี่แนะไอตัววัตถุกา ร, รมด้วยอํานาจของกิเลสกรรมนี่แหละการเสวยการความสุขที่ประกอบด้วยกิเลสกรรมเขาเรียกอนุโยโคการประกอบเป็นนิดการประกอบตนเองให้ติดอยู่ในกาสมาสุขการประกอบติดอยู่ในการพฤกความถูก ก็ทาให้ตกไปในการทั้งหลายเนี่ยการติดหรือการเสพอันเดียวกันน่การเสพกามเมสุกามาสุ ข, ขาลิกานโยโคทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิตำหนิตัวกามไว้ห้าอย่างด้วยกัน h ีโนก็แปลเป็นของที่ต่ำชามต่ำสามต่ำชาเนี่ยสองคัมโมเป็นธรรมของชาวบ้าน 3. ปุถุชโนโนเป็นธรรมของปุถุชนคนมีกิเลสหนา 4. อนริโยไม่ใช่เป็นธรรมของพระอริยะ 5. อนัตถสันหิโตไม่ประกอบไปได้วยประโยชน์ทีนี้ถามว่าโทษเนี่ย โทษของการที่ทำตนให้ติดแน่นอยู่ในกาลมาสุขนั้นทรงตำหนิว่าฮีโนเป็นธรรมที่ลามกต่ำสามเพราะอะไรทำไมจงึงตาหนิอย่างนั้นอนาตถาท่านบอกว่าเท่าที่ตำหนิเพราะเป็นธรรมที่ต่ำสาม<ๆ>ก็เพราะว่าคนที่หมกมุ่นอยู่ในกาลมาสุขนั้นเป็นต้นเหตุแห่งความคับแค้น<ๆ>เหมือนถูกเครื่องพันธนาการไว้กับยางเหนียวแน่น ไม่อาจที่จะเอาเครื่องมืออะไรอะไรเนี่ยมาตัดให้ขาดได้ฉะนั้นท่า น, นึงบอกว่าบุคคลที่ติดแน่นในกามาสุขเนี่ยในกามคุณเนี่ยท่านบอกโทษหนึ่งกามาปิปาโศก็คือมีความปรารถนาความอยากในการมาคุณเป็นกำลังประการที่สองกามาปริราโโหคือมีความกัวลกังวายสแสวงหากามาคุณนั้นไม่สิ้นสุดไม่หยุดหย่อน คือปรารถนาอยู่ตลอดกามมุดฉากระเบ้อในสันดานก็ยอมสยบหมกมุ่นมัวเมาในกามคุณวิตกวิจารณการตรึกการตรองอ่ะพี่ลมก็ชมชื่นอยู่ด้วยกามคุณเนี่ยไม่ยินดีในการที่จะออกจากกามหมกมุ่นแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่จะลุ่มหลงมัวเมาเกลือกกล้วอยู่ในกามคุณเนี่ยท่านก็เลยอุปมาว่าหนึ่ง เหมือนกับสุกปรบ้านเหมือนกับหมูอะ่ะหมูเนี่ยมันก็เกือกเกือกแล้วก็แช่อยู่ในหลุมคูดในหลุมคูดนะ ย, ยินดีอยู่ในสิ่งโสโครกเข้าใจว่าดีตามวิสัยของสกปรตามวิสัยของหมูเขาเรียกว่าการมาสุ ข, ขาริกานุโยคก็คือ ก, ก, การประกอบตนที่ติดอยู่ในการมาสุขในการมาคุณที่เร็วสามต่าช้าเนี่ยซึ่งอุปมาเหมือน สู่รสารดูไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าเช้าคนที่หมกมุ่นในกาบมะคุณในกาบมะสุขเหมือนไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เขาทิ้งไว้ป่าชา้าประการต่อมาหรือมิฉะนั้นในกาบมะคุณทั้งห้าเนี่ยสีเสียงกิ่ร้อยในโพธิพลทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนกับดับร่างหรือโครงกระดูกที่มีมีแต่โครงกระดูกเปล่าๆไม่มีเนื้อไม่มีเนื้ อ, ไ ม, มอไม่มีเลือด ที่เขาทิ้งไว้บนแผ่นดินบุคคลที่บริโภคกามาคุณเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสุนัขที่ไปแทะกระดูกไปแทะกระดูกใครมีกระดูกกี่ชิ้นบ้านชิ้นหนึ่งรถชิ้นหนึ่งว่อาอไรไเป็นนีนั่นแหละเป็นกระดูกกระดูกกระดูกแต่ละชิ้นมันอาจจะมีเลือดติดอยู่นิดนิดเดียวท่านนอกนั้นเป็นกระดูกไม่มีเนื้อด้วยไอสุนัขเนี่ยเวลามันไปแทะเนี่ยมันไปกัด กัดกัดกัดอยู่ไอ้น้ำลายมันก็ไหลออกมาแต่มันไม่เคยอิ่มเพราะมันไม่มีเนื้อมันไม่มีเนื้อกามคุณเป็นอย่างนั้นมันไม่อิ่มสัทีไปแทะอยู่นั่นแหละทีนี้มันก็มีกระดูกเรียงไว้เป็นแถวมันห่วงไอ้ตัวนักตัวเนี้มันมีมันมันมันมันมันมันอยากเยอะจัดตัวไหนจะมากัดตัวไหนที่จะมาแท้กระดูกมันมันโดดกัดเลยนะมันโดดกัด กินกระดูกมันเลื่มมันก็คอยมองตากรเหงกินกระดูกอยู่นั่นแหละแทะกระดูกแทะแท้ แ, แทะแบบไม่มีเนื้อเด่นน้ำลายมันก็ไหลมามันก็อิ่มน้ำลายมันหน่อยอร่อยน้ำลายมันแต่ไม่เคยอิ่มบางคนก็มีบ้านสิบหลังยี่สิบหลังมีรถมี ล, มลมว่ากันไปมีสมบัติมีอะไรก็แทะใหญ่กระดูกกระดูกโครงกระดูกเหมือนสุนัขแทะแทะกระดูกห่วงไหม เรามีกระดูกกี่ชิ้นะมีกี่ชิ้นมีบ้านไหมมีรถไหมเนี่ยหนแต่ละในสองชิ้นแล้วนะแล้วอะไมีสา ม, มีไหมเนี่ยอีกสามชิมม้นแ ล, แล้วมีอะไรอีกมีเงินไหมโอ้ชิ้นที่สี่แล้วแล้วมีอะไรอีกเครื่องประดับอีกเยอะเลยนะนั่นแหละกระดูกวางเป็นแถว ท่านได้อุปมาเหมือนเนี่ยเหมือนสุนัขแท็กระดูกติดกระครงกระดูกไม่มีเลือดและเนื้ อ, อยากหาความอิ่มไม่ได้เลยแทะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแทะจนฟันศึกไปเรื่อยๆเรื่อๆรืๆ่อยสุนัขตัวนั้นไม่เคยอิ่มเลยเหมือนสัตว์ตั้งหลายที่เตะในการมาคุณก็ไม่เคยอิ่มใช่ไหมจนแก่ตาฟ้าฟ า, ฟางหูตึงลแล้วตอนนี้ ไปไหนไม่ได้แล้วนอนแลก็ตายขากองกระดูกนั่นเยิงไม่ยิงเอาอีกอุปมาหนึ่งถ้าอุปมาว่ากามคุณเนี่ยเปรียบเสมือนกับเปรียบเสมือนกับผู้ที่บริโภคกามคุณไม่ต่างอะไรกับคนที่นอนฝันคนที่นอนฝั น, นโดยไม่มีความโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่ามันได้แก้วได้แหวนจริงๆ ฝันว่าได้แก้วฝันว่าได้แหวนฝันว่าได้เครื่องประดับนอนฝันนะพอตื่นขึ้นมามีจริงไหมมันไม่มีจริงหรอกเหมือนกันที่พวกเราเนี่ยเราได้เป็นหมอเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเนี่ยเหมือนคนนอนฝันจริงๆไม่มีจริงอะไรมันว่างเปล่าหมดเลยนะไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเนี่ย ไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่ควรจะยึดถือเอาไว้ไม่มีใครอะไรยั่งยืนเลยแม้แต่น้อยเหมือนนอนฝันเนยังมีเหมือนฝันตื่นขึ้นมาหมดฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีทรัพย์ฉันมีลูกฉันมีบุตรฉันมีภรรยาฉันมีพ่อแม่ฉันมีกิจการทั้งหลายเลยเนี่ยเหมือนคนหลับไปแล้วฝันว่าได้แก้วแหวนเงินทองแต่ตื่นขึ้นมาไม่มีอยู่จริงอยู่ตรงไหนไม่มีสาระอะไรเลย เอวอีกโอปมาหนึ่งอปมาเหมือนหลุมทานเพิงอันน่าสะพึงกลัวผู้ที่ยินดีในกามคุณไม่ต่างอะไรกับการตกเปน็นหลุมทานเพิงมีแต่จ้องสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแล้วก็ตายไปในที่สุดแม้ชั้นใดผู้ที่บริโภคกามคุณมัวเมาอยู่ในกามคุณก็จะต้องถูกราคะดำกิจสนาก็คือไฟคือราคาไฟคือโทรศัพเนี่ยนะเผา ให้ได้รับทุกขเวทนาเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอยู่เนี่ยในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากมันไปได้นี่ไงติดกรรมมาคุณโลกติดกรรมเป็นแบบเนี้ยถูกราคาดํากิสนาเนี่ยมันเผารถตลอดแล้วก็ทําให้เราติดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเหมือนตกอยู่ในหลุมทานเพิงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่อีก แล้วก็กลับมาดิน้นรนอีกมาเรียนใหม่มาทําอะไรใหม่หมดมาหาแฟนใหม่สามีใหม่ลูกใหม่บางท่านเถอพ่อแม่ใหม่ใหม่เวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายจม อ, อยู่ในหลุมด่านเพลิงออกจากมันไม่ได้เห็นราคะดํากิสนาเป็นอย่างนี้ไหมนี่บอกมุ่นในกาลมาสุขในกาลมาคุณเป็นอย่างนี้อีกอุปมาหนึง่ง กามาคุณทั้งห้าสีเสียงกลิ่นเหมือนกับผลไม้ต้นไม้ที่มีพิษบุคคลที่มัวเมาอยู่ในการมาคุณห้าไม่ดูไม่ต่างอะไรกับคนที่กินผลไม้ที่มีพิษเข้าไปก็ประสบทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเนี่ยเรากําลังกินผลไม้ที่มีพิษนะพอไปบริโภคสีที่สวยๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆก็เจอพิษคือราคาโทซาม وها นิ่มเล่นงานเนะี ก็ประกอบทุติริตสุจริตทั้งหลายแล้วนี่ยหวัวยจมอยู่นี่ตอนนี้โดนพิษหรือยังพิษมันซ่านหรือยังราคาโทรศัพท์มือหายเป็นพิษนะ ห, <c oughs> หรืออปปามาหนึ่งก็บอกว่ากามคุณทั้งห้าไม่ต่างอะไรกับดาบหรือหอกหรือเหลา่าอ่ะที่มันมีคมเนี่นะบุคคลที่บอกมุนในกามคุณไม่ต่างอะไรกับถูกของมีคมนั่นแหละ สตราวุธฒิแหละที่ทิ่มแทงประหัตประหารได้รับทุกขเวทนาเนียหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเราโดนกิเลสคือราคาโทสะโมหะเนี่ยเสียบบังทิ่มบังแทงตลอดที่เราไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบ้านก็เจ็บปวดเพาะไอราคาโทสะโมหะเกี่ยวข้องกับทรัพย์กับบุตรกับภรรยากับสามีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเลยเนี่ยก็ต้องเจ็บปวดจากการถูกทิ่มถูกแทง ได้ทศจริญเจ็บปวดมาทุกอย่างเลยจริงไหมจริงนั่นกามคุณห้านี่ยเป็นซากศพดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเลยอีกควาหมายหนึ่งก็คือเหมือนกับไม่ต่างอะไรถ้าบอกบางทีไม่ต่างอะไรก็อุจจาระเนี่ยอุจจาระก็เป็นที่ชอบใจก็หมู่หนอนกตามบคุณฮะโอ้ท่านอุปมาหนักนะหนักไหม หรือเหมือนกับ น, น้ําครัมน้ําครัมหรือน้ําที่โสกโปกที่สุกรทั้งหลายชอบไปนอนเกลือกกลืมกามคุณก็เหมือนอย่างนี้นคนที่มืดบอดทั้งหลายก็ชอบไปหมกมุ่นอยู่ท่านถึงบอกว่ากามคุณหา้าจะเป็นของมีอยู่จำบับพวกกระหายเท่านั้นไม่ใช่พวกบรรพชิตครับการประกอบตอนเองให้ติดแน่นในการมาสุขในการมคุณทั้งหลายก็เป็นของปุถุชนคนพาลที่อ่อนด้อยต่อเหตุผล คนที่อ่อนต่อเหตุผลคนที่มีปัญญาน้อยทั้งหลายก็ก็บริโภคกันอยู่ติดแน่นกันอยู่คนที่มีปัญญามากเขาไม่เอาแล้วเก็กว่างั้นดลท่านอุปมาหนักไปไหมหนักไปไหมหนักไมมย ม, มีไม่หนัก แล้วอย่างหนึ่งการมาคุณห้าเนี่ยไม่ต่างอะไรกับหลุมอุจจาระที่สุนัขบ้านและสุนัขยิ่งจอกทั้งหลายพากันมากินกันอยู่เนื่งเดืองโอ้โหว่านักเลยเนี่ยพ อ, อยหรือยังหรือไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า บรรดาแรงกาสุนักทั้งหลายก็พากันมาจิกมากินโอ้โ ห, โโหเยอะเลยกามกคลห้านี่เป็นอย่างนี้นะเป็นทางกันดานด้วยสบความทุกข์แล้วบุคคลทั้งหลายที่มีเกี่ยวข้องกับมันก็พากันตาย เม่งฟังอย่างนี้แล้วยังอยากจะไปเกี่ยวข้องกับ ม, นมันอีกไหมหรือพอแล้วบอกก็ไม่เป็นไรแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังมัวเมากันอยู่ไม่อยากจะเป็นคนส่วนน้อยเอ้าและสมควรเก่เวลาแนละ้วนี่นี่กามาสุ ข, ขาริการนโยโคโ น, นีนโนคัมโมปุตุชนิโกนาริยานาตสนติโตยังไม่ได้เลยเนะี่ยได้ศัพท์เดียวเอง นี่ทำมาจากกับพระวจนสูตรท่านพูดถึงโทษกับกรมมาคุณการมารมสุขบุคคลที่หมกมุ่นในการมติดแน่นในกามทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนสุนัขบ้านสุนัขยิ่งจอกเป็นต้นอะไรเนี้ยนที่จมหมกมุ่นเวียนก็นมีที่ที่ไหนนี่ยหลุมอุจจาระทั้งหลายเลยนี้ท่านพูดอย่างนั้นหนึ่งโอ้โหอย่างนี้ถ้าเราไปทํางานทําอะไรต่างๆแล้วก็มิสะอิดสะเอียนเลยเนี่ทําไมเราต้องมาหมกมุ่นอยู่อย่างนี้ใช่ไหม เราทำไมต้องมานั่งแปลไอ้กรรมมาคุณนย่เนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่ตาเราจะพังตาเราจะบอดอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเราทาไมไม่อ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าใช้ตาไปอ่านคําสอนพระพุทธเจ้าเราจะได้ได้ข้อปฏิบัติในการทำตนให้ออกจากการมาคุณได้แต่ทําไมเราไปจมแน่นกับมันเนี่ย <c oughs> ใครคิดอย่างนี้ไหม เอาังนั้นอุทิศ ส, ส่วนกุศลดีกว่าไม่ไหวแล้ว